พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฟังธรรมเพื่อเพื่อให้ฟังเป็นกระถาวัตถุะนะคือให้ฟังให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น่ะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความมาักน้อยสันโดษวิเวกหรือความสงัดเนี่ยปารบความเพียรฟังธรรมเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานุทัศน์นะก็คือฟังให้ให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมที่ควร รู้ยิง่งนะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรคือถ้ารู้ยิ่งเนี่ยแปลว่าไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างอย่างแรกอย่างที่สองก็ฟังเพื่อกำหนดรู้ฟังเพื่อความรอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นอย่างไรที่เรียกว่าปริญญาธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเพื่อความรอบรู้แล้วก็อย่างที่สะต่อไปบอกว่าฟังเพื่อการละว่าจะมีอะไรเพื่อการละบ้าง คือเพราะว่าผู้ที่ละได้เนี่ยเนื่องจากมีปัญญาเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ก็จะละในสิ่งที่ควรละได้เพราะว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ละปัญญาเป็นตัวที่ทำให้คลายงั้นถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยอย่างไรก็ไม่ขอยึดกองทุกข์อยู่แล้วอย่างไรก็ต้องทิ้งทุกข์อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าผู้ที่หิ้วมทุ่งเหิ้วถุงหนังเยนะที่เต็มไปด้วยของปฏิกูล ถ้ารู้ว่าข้างในมันคืออะไรเนี่ยถามว่าจะแบกจะหามต่อไปไหมซึ่งถ้าหากว่ารู้ว่ามันไม่มีราคาค่างวดแล้วก็ยังเป็นภาระหรือว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าโอ้ดูน้ําแก้วนี้แหมช่างสีก็สวยกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยแต่เรารู้ว่าผสมยาพิษเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราจะดื่มไหมเราก็ไม่ดื่มนั้นความรู้เนี่ยเป็นเหตุให้ละคลายโดยธรรมชาติคือโดยธรรมดาของปัญญาเพราะตัวที่ละนี่เป็นตัวของปัญญา นีต่อไปเนี่ยน ะ, ะฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรที่ควรทำให้แจ้งเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะที่ที่ประชุมลงของการฟังทำของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเป้าหมายเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดไหนตำแหน่งใดเรียกว่าฟังเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและที่สำคัญที่สุดประการสุดท้ายก็คือฟังว่าเราจะเจริญอะไรได้บ้างพระสูต ร, ตรนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญศรัทธาใช่ไหม พระสูตรนี้พระองค์สอนให้เราเจริญวิริยะใช่ไหมให้ภาคเพียรพยายามยิ่งยิ่งขึ้นหรือเปล่าพระสูตรนี้ไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราเลอะเลือนและหลงลืมนั่นเรียกว่ามีสติแล้วก็สอนบางสูตรพระองค์ก็สอนให้เรามีจิตตั้งมัน่นเนนะไม่ฟุ้งซ่านและสุดท้าก็คือสอนให้เรารู้ให้มีปัญญาแตนะ่โดยเฉพาะปัญญาที่รู้แจ้ง อริยสัจพระองค์ก็เอาอริยสัจมาจำเนกโดยปริยายต่างๆปริยายนี้แปลว่าเหตุเนี่ยนะแสดงโดยเหตุต่างๆโดยวิธีการต่างๆเพื่อที่ปัญญาจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญประเด็นสุดท้ายสําคัญที่เราควรถือเอาเป็นสาระก็คือฟังเพื่อเจริญศรัทธาฟังเพื่อเจริญวิริยะฟังเพื่อเจริญสติฟังเพื่อเจริญสมาธิและฟังเพื่อเจริญปัญญาฟังเพื่อเจริญอินทรียห้า อินทรีห้านั่นแหละเป็นโพชฌงเพราะว่าเป็นธรรมที่ทําให้เกิดการตรัสรู้แล้วก็เป็นมัชเพราะเป็นทางที่นําออกจากวัตทุเนี่ยนะเป็นหนทางเพื่อนําออกไปจากวัตทุกข์จากสังสารทุกข์เข้าถึงธรรมที่เป็นสุขคืออมาตะนิพพานนะแล้วก็พระธรรมที่คุณธรรมที่เราได้จากการศึกษาเรียนรู้การฟังธรรมคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่าเป็นนิยานิกระทมนําเราออกจาก ว่าตะโถกพันสาระที่สาคัญที่สุดที่ควรถือเอาอันดับสุดท้ายเมื่อกลั่นกรองมาแล้วก็จะเหลือสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะสิ่งที่ควรเจริญทีนี้เครื่องวัดผลว่าเมื่อเราเจริญในธรรมที่ควรเจริญแล้วเนี่ยนะได้ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งอะไรอีกบ้างบั้นปลายของการเจริญนั้นอยู่ที่ไหนเจริญที่ไหนจึงจะเต็มเจริญที่ไหนจึงจะบริบูรณ์เจริญถึงที่ไหนจึงจะพอ ก็กำหนดที่ทางลักษณะนี้ได้การศึกษาคำสอนของเราก็เจริญอย่างเดียวเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นเะนั้ น, นก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความข่คาความรู้มีความเข้าใจเรียกว่าวันคืนของเธอที่ผ่านไปเจริญด้วยกุศลธรรมอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีวิธีการที่ถูกต้องถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยนะศึกษาพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้เป็นอื่นนนไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะเจริญอินทรียพละโพชชงองค์มัคไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเจริญนิยา น, นิกธระทรถ้าอย่างนี้ศึกษายิ่งศึกษายิ่งขัดกันเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้อีกอย่างหนึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้อีกอย่างหนึ่งเราก็จะบอกว่าพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องเนนั้นะพระไตรปิฎกฟังแล้วยาก ที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากรู้หรือไม่มีศรัทธาที่จะรู้ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อย่างที่พระองค์ประสงค์เมื่อเราไม่ทําตามพุทธประสงค์มันก็ยากแค่นั้นเองเนี่ยนะพันธะจะให้ง่ายให้ไม่ยากก็คือมีศรัทธานำหน้าว่าพระองค์อยากจะบอกอะไรเราพระองค์ต้องการสอนอะไรเราอย่างพระสูตรที่เราเรียนไปแล้วสองสูตรต้นเนี่ยนะก็คือจุลสีหนาสูตรกับมหาศีหนาสูตร จูละีหนาแตแปลว่าสีหนาตสูตรสูตรเล็กเนี่ยนะมหาสีหนาตก็สรีหนาตสูตรใหญ่ทีนี้สีหนาตสูตรเล็กเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่ให้มีศรัทธาในอริยมตรตมีองค์แปดเถอะนะเป็นสูตรที่ให้มีสัจทินรียในพระพุทธศาสนาเป็นสูตรที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเออควรที่เราจะเลื่อมใสขนาดไหนพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยควรที่จะให้เลื่อมใสขนาดไหน ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นั้นมีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นพระเริยเจ้านั้นจึงมีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะถ้าสิ่งที่เราปรารถนาทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเหล่าใด ตั้งความปรารถนาเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งสกทาคามีผลให้แจ้งอนาคามีผลให้แจ้งอรหัตตผลให้แจ้งมีวัตถุประสงค์เช่นนี้เนี่ยนะศึกษาคําสอนของพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้านั้นถูกต้องแล้วตรงแล้วถามว่าทำไมจึงถูกต้องทําไมจึงตรงไปศึกษาที่อื่นไม่ถูกไม่ต้องไม่ตรงหรืออย่างไรบอกใช่ไปศึกษาที่อื่นไม่ตรงหรอก เหตุผลที่ไม่ตรงก็เพราะว่าไม่สามารถบัญญัติอุปาทานได้นะไม่สามารถบัญญัติอุปาทานทั้งสี่ได้ตามเป็นจริงเมื่อไม่สามารถบัญญัติอุปาทานทั้งสี่ได้ตามเป็นจริงาศาสดานั้นก็ไม่ใช่สัพพัญยูธรรมวินัยนั้นก็ไม่นําออกจากทุกสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดศูนย์เปล่าไรประโยชน์เพราะไม่ได้นําออกจากทุกเนี่ยนะแม้กระทั่งความพอใจในรักใคร่ในหมูนะ่คณะ ก็เรียกว่าพอใจเพื่อรอวันแตกแยกเรียกว่าเป็นความเพลิดเพลินพอใจรอเพื่อเป็นศัตรูกันเท่านั้นเองเรียกว่าคบกันเมื่อยังที่เรียกว่ามหาพูดผลประโยชน์เนี่ยนะผลประโยชน์ที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นยังแบ่งกันลงตัวเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาพเป็นต้นที่แบ่งกันไม่ลงตัวเมื่อใด พร้อมที่จะเป็นศัตรูกันทันทีพันความพอใจในหมู่สหธรรมิกที่ปฏิบัติในลัทธิคําสอนของาศาสดาที่ไม่เป็นสัพพัญญูนั้นจึงไม่ดีจริงไม่สามารถนําออกจากทุกขไม่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์มีพระปุพพจริยาคุณมีพระสรีระคุณมีพระพุทธคุณและพระองค์บาเพ็ญพุทธกิจทั้งทั้งมู่เนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเจตนาดีแต่งโง่เขลาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อคนอื่นแต่ใช้พฤติกรรมด้วยความโง่เขลาสมมติว่าแหมสงสารคนอื่นเหลือเกินเห็นคนอื่นกระหายน้ําก็เลยไปตักเอาน้ําครํามไปแจกคนอื่นดื่มที่มันประกอบด้วยเชื้อโรคอันนี้เครียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายมุ่งทําลายกันชัดๆแบบนั้นนะะก็เหมือนกับว่าปรารถนาดีต่อคนอื่นรถเขาเสียก็เลยไปช่วยเรือเขาทั้งคันอย่างงี้ย หรือไม่ท้องเขาเสียก็เลยแม้อยากจะช่วยเหลือเลือเกินช่วยแบบวิชาศีธนนชัยอะ่ะล้างในล้างนอกให้ดีนะลูกก็เลยเอามีดมาผ่าล้างข้างในทั้งหมดเลยนะเพราอจะได้สะอาดเนี่ยนะแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้แก้ปัญหาเลยกลับสร้างปัญหาใหม่ๆยิ่งขึ้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปัญญาพระองค์ถึงฝั่งแห่งปัญญาเนี่ยนะปัญญารู้ยิ่งปัญญากําหนดรู้ปัญญาระปัญญาที่ทําให้แจ้ง ปัญญาได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญเต็มเปี่ยมโดยประการทั้งปวงดันั้นการช่วยเหลือทั้งหมดของพระองค์นั้นจึงสามารถช่วยบุคคลอื่นให้สิ้นทุกข์โดยชอบถามว่าอะไรมาอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ลงตัวว่าพระองค์ช่วยคนอื่นได้จริงก็ดูสิว่าพระองค์บัญญัติอุปาทานสี่ประการได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอุปาทานสี่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์รู้แค่อุปาทานพระองค์รู้ด้วยนะว่าปัจจัยอะไรแห่งอุปาทาน อุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา ม, มรณะเป็นต้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังสาวต่อไปได้อีกว่าอุปาทานนั้นมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นแดนเกิดเพราะพระองค์สาวขึ้นสาวลงและพิจารณาทั้งโดยวัตทะและวิวัฏทะเพรา ะ, ะนั้นความเข้าความรู้ความเข้าใจในคําสอนของพระองค์นั้นจึงไม่ผิดพลานผู้ที่เป็นวินยูชน ผู้ที่เป็นมินยูชนไม่ใช่พาลชนคนที่เป็นผู้ฉลาดไม่โง่ไม่เปลี้ยนะนะไม่เสียสติปัญญาบุคคลเหล่านั้นเมื่อฟังโดยเหตุโดยผลเขาก็เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเขาได้อย่างแท้จริงเพราะถ้าเขาตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเขาก็พ้นจากทุกได้จริงนั้นพระองค์จึงยืนยันว่าความเลื่อมใสในสาศาสดาใดความเลื่อมใสในสาศาสดานั้นถูกต้อง เพราะโดยชอบแล้วถูกต้องแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นพระสัพพันย์ูความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสในธรรมนั้นก็ถูกต้องแล้วเพราะธรรมะนั้นเป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกได้จริงความเลื่อมใสในมู่สงเหล่าใดความเลื่อมใสนั้นก็โดยชอบถูกต้องแล้วเพราะสงสาวกของพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นท่านเหล่านั้นคือพระอริยบุคคล ผู้ได้สามมัญญผลสี่อันผู้ที่ปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงที่นี้พระพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยนะเราจะเจริญหรือเราจะเสื่อมจะปฏิบัติได้มากปฏิบัติได้น้อยก็อยู่ที่ว่าเรามีความมั่นคงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขนาดไหนทีนี้ถ้าเราจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไหนไหนก็จะนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเรา มั่นใจตรงไหนในองค์ของพระพุทธเจ้าบ้างมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้มีรูปงามมั่นใจอย่างนั้นไหมบอกไม่ได้มั่นใจในลักษณะนั้นมั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีเสียงเพราะใช่ไหมผู้แล้วแหมฟังเพราะเหมือนฟังเพลงเลยอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเลื่อมสายพราะแหมพระองค์ทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาเป็นเหมือนคนอนาถาใช่ไหมมาเที่ยวถือภาชนะขอทานเขากินใช่ไหมเลื่อมสายพระส่วนนี้หรือเปล่าบอกก็ไม่ใช่ แต่ที่เราเลื่อมสายก็เลื่อมสายในพระพุทธคุณทั้งหลายเลื่อมสายในอรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์อันนี้ประกาศว่าเราเลื่อมสายอย่างที่หนึ่งถ้าจะเลื่อมใสก็ดูตามจูลสัสสีมหาสีหนาสูตรเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราควรจะเลื่อมใสายในพระพุทธเจ้าเอาพระองค์เป็นผู้นำนะว่าพระองค์นั้นเรียกว่าบรรลือฐานะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโจกโจกก็คือหัวนาเป็นหัวหน้า เป็นผู้ที่พาเราข้ามออกจากวัฏฏุกคุณธรรมอันนั้นก็คืออรหันตคุณเป็นต้นก็อย่างที่เราสรรเสริญสักพั ก, กที่บอกว่าเป็นผ้าอารหันตไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้นําเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามออกจากทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จําแนแกแจกแจงพระธรรมรัตนะพระองค์เป็นผู้ที่ประทานความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายพระองค์คือผู้ที่ให้ประโยชน์ให้ความเกื้อกูลให้ความสุขทั้งมวลแก่เทวดาและมนุษย์พ้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขและสิ่งนั้นไม่มีพิษมีภัยไม่ประกอบด้วยทุกข์โทษต่อเหล่าสัตว์ พระองค์ก็จะบอกจะกล่าวจะแนะนําสั่งสอนในสิ่งเหล่านั้นฉนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นพร ะ, ะพระสัพพัญญูเจ้าแท้จริงขณะเดียวกันถ้ากล่าวไปถึงพูดถึงการแสดงฤทธิ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ผู้ใดจะมีฤทธิ์เท่ากับพระพุทธเจ้าฤทธิ์ของพระองค์ในระดับสูงสุดคือยมะกะปาติหาันนะในบรรดาผู้ที่มีฤทธิ์สูงสุดก็คือแสดง ย่ำมะกะปาฏิหารเป็นปาฏิหารไม่ทั่วไปแก่สาวกไม่ทั่วไปแกนาคอะมนุษย์เทวดานะหรือพรมถือว่าเป็นปาฏิหารพิเศษระดับสูงสุดคือย่ำมะกะปาฏิหารถ้าพูดถึงหูของพระพุทธเจ้ามีเสียงไหนบ้างในโลกพร้อมทั้งเ ท, งทวโลกเป็นต้นที่พระองค์ไม่ได้ยินไม่มีพระองค์ประสงค์จะฟังหรือเปล่าแค่ น, นั้นแหละแล้วก็ในบรรดาสภาพจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ใครที่คิดอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระองค์รู้หมดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยคิดอะไรและในบรรดาโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกที่ประชุมรวมกันทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรวจสอบได้เลยว่าความคิดในสิบหกประเภทแต่ละคนอยู่ในความคิดกลุ่มไหนพระพุทธเจ้าจะไม่คิดแบบพวกเราพวกเราจะสนใจว่าเขาคิดเรื่องอะไรกันเขาคิดอะไรเขาคิดทําไมเขาคิดให้มันเป็นอะไร พวกเราจะสนใจในลนนักษณะนี้แต่ของพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าไอ้สภาวะของความคิดของเขาเป็นอย่างไรความคิดของเขาเจือด้วยราค่าร Bold, หรือเจือด้วยโทสะหรือเจือด้วยโมหะหรือไม่เจือด้วยราคา่โาโทสะโมหะเลยนี่มันประเภทระดับการมาวจรหรือรูปราวจรอะรูปาวจรความคิดของเขามันตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านหรือง่วงหรือซึมอะไรเป็นต้นพระงจะแยกแยะตัวสภาวะความคิดเรียกว่าอ่านค่าของความคิดตามเป็นจริงเห็นไหม แล้วก็พันพงจึงรอบรู้วาระจิตของเขาทั้งหมดและรู้ต่อไปว่าเขามีฐานะหรืออาฐานะไหมเหตุปัจจัยที่จะทําให้เขาตรัสรู้มีไหมหรือเหตุปัจจัยที่ทําให้ตรัสรู้ไม่มีเลยพงรู้หมดรู้อะไรเป็นฐานะอาฐานะแล้ะพงค์รู้ด้วยว่าที่ชีวิตของเขาเนี่ยเข้ามาด้วยกรรมอะไรอดีตที่ผ่านมาเขาทํากรรมอะไรมาจึงได้มาเป็นอย่างนี้แล้วกรรมที่เขาทําในปัจจุบัน จกมีผลต่อไปอย่างไรอย่างไรสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขากําลังเดินไปสู่นรกเปรตอสุรกายหรือเดราชานันเขากําลังเดินไปสู่มนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมโลกหรือเขากําลังเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อจะปรินิพานและพระองค์รู้ธาตุแท้ของแต่ละคนด้วยธาตุแท้ของสิ่งที่ เ, เกิดเอ่อเขาว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองกับธาตุแท้ของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างละเอียดและรู้อธิมุดคืออัธยาศัยของเขาด้วยรู้นะว่าเขาเป็นประเภทพวกกามัธยาศัยเนี่ยคำมัธยาศัยอัธยาศัยของเขาเนี่ยพระองค์รู้เลยเรียกว่ามองปั๊บรู้เลยไอ้คนนี้มันต้องการอะไรมันฝักฝ่ายอะไรถือเอาอะไรเป็นสาระเนี่ยนะ แต่แล้วพระองค์ก็รู้อีกว่าผู้ที่พอจะบรรลุได้ศรัท ธ, ธาเขาเป็นอย่างไรวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขาเป็นอย่างไรเขาเห็นภัยในวัตตะหรือไม่เห็นภายในวัตตะถึงเห็นและบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยคุณธรรมของเขาเป็นหานภาคยะทิติภาคยะวิเศษาภาคยะกําลังเจริญกุศลประเภทสรวันเจ้งรวันเสื่อมหรือกุศลเนี่ยรักษามเมื่อไหร่กี่ปีกี่ปีก็อยู่เท่านั้นแหะ อันนอารหังสวดมนต์เมือ่อไหรก็เข้าใจอยู่เท่านั้นเป็นต้นเนยนะไม่เคยเพิ่มเลยสัมมาสัมพุทโตก็ไม่ขยายความมาให้มันกว้างขวางอะไรเลยอนุรักษ์ได้เหมือนเดิมเหมืนอนกันเรียกว่าพวกถิติภากคยะหรือวิเศ ษ, ษ, ษภากคยะเจริญขึ้นเจริญขึ้นหรือนิเพธภักคิยะใกล้จะบรรลุแล้วใกล้จะกําหนดรู้ ว, วนันนี้ทุกสโมทรในโรดมาร์พร้อมที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์แล้วนะแล้วพระองค์ก็ยังรู้ด้วยนะว่าภูมิหลังของเขาเป็นอย่างไร อดีตชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งบวง น, นั้นเป็นอย่างไรและถ้าการจุติอุบัติของสัรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรผู้ใดจุติจากที่ใดแล้วไปปฏิสนธิระหว่างที่ใดเนี่ยนะหรือผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องฟังอย่างไรพระองค์รู้แจ้งสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลตาม ความเป็นจริงและขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีไม่ใช่มีแต่ปัญญาในเรื่องนี้เท่านั้นพระองค์ยังมีญาณที่ทำให้พระองค์ถึงความแ ก, กล้ากล้ามั่นคงไม่คลั่งครา้าเป็นผู้ที่องค์อาจสามารถบรรลุสีหน้าประกาศพระธรรมจักทั้งโดยปฏิเวทยาญาณเทสนายาณให้เป็นไปเนี่ยนะแกสัพพะสัตทั้งหลายอันพระองค์นั้นปฏิญาณตนได้ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะไม่มีสิ่งที่พระองค์ ไม่รู้พระองค์ปฏิญาณว่าพราะองค์เป็นขีณาสะวะเพราะไม่มีอาสะวะสุเหลืออยู่เลยเพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดมีโทษสิ่งนั้นก็มีโทษจริงพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขปฏิบัติอยู่ในโพธิปัจจะธรรมแล้วเป็นไปเพื่อสุขก็เป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริงที่นี้บางคนเนี่ยนะเก่งแต่ในกระดองเขวาว่างั้นเก่งแต่เฉพาะในบ้าน น, นะกละละน็ลักษณะเก่งประเภทข่มขู่คนในบ้าน แต่ออกนอกบ้านนี่จ้องเหมือนกับแมวไม่ได้ทานอาหารมาตั้งหลายวันแล้วเหมือนกันไม่ใช่พระองค์นี้ในบรรดาบริษัทแปดคติยบริษัทพราม์อบริษัทเครือหัตถ์บดีบริษัทสมณะบริษัทหรืออามนุษย์บริษัทไม่ว่าจะเป็นจาตุตมดาวดึงบริษัทมารบริษัทพรหมพระองค์ก็องค์อาจแกล้วกล้ากล้าหาในบริษัทเยียบสรรพสัตว์เหล่านั้นด้วยปัญญาครอบงําสรรพสัตว์เหล่านั้นด้วย ปัญญาพันพระองค์จึงรอบรู้สรรพสัตว์ทั้งมวลอย่างไม่มีเหลือพพระองค์นี่เป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญไม่สทกสถานเข้าได้ในอัครว่าไปสงเคราะห์สัตว์ในทั่วจักรวาลไม่ใช่จักรวาลเดียวด้วยเพราะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเะ่ช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไรปลูกฝังบุญกุศลสร้างอุปนิสัยเป็นบุญวาสนาให้เขาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรพระองค์ก็ ทำกิจเหล่านั้นทั้งปวงเนยนะขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ยังรู้ด้วยนะว่าการเกิดขึ้นในวัตะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรเรียกว่าเกิดในภพสามนะภพสามกำเนิดสี่กำเนิดสี่ไม่ว่าจะเกิดในครันเกิดในไข่เกิดเป็นเท่าใครหรือเกิดเป็นโอปปาติกะแต่ละคนนั้นเกิดอย่างไรเนี่ยนะเป็นประเภทไหนแล้วก็ในบรรดากําเนิดสี่ก็มาแบ่งเกิดในนรกเกิดใน เดรัจฉานเกิดในเปรตหรือเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาและกรรมเหล่าใดานำมาสู่กำเนิดสัตว์นรกกรรมเหล่าใดาที่เขาทำนำมาสู่ความเป็นเดรัจฉานกรรมเหล่าใดาที่เขาทำแล้วนำมาสู่ความเป็นเปรตกรรมเหล่าใดานำให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์หรือกรรมเหล่าใดาทำให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาหรือเขาปฏิบัติเช่นไรจึงแทงตลอดอปัญญาวิมุติ เจโตวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้บันลุอรหัตผลพระพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงโดยไม่มีส่วนเหลือพะนั้นบางแต่บางพวกก็ไม่มีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าเลยถ้าเขาไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและเขาจะเจริญในศาสนาของพระองค์ได้อย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าเขายัางไม่เลื่อมใสแล้วเขาจะเลื่อมใสใคร นะเพราะฉะ น, นบางคนก็บอกว่าศึกษาพระธรรมไม่ต้องเลื่อมใสพระพุทธเจ้าให้มากก็ได้ก็บอกว่านั่นไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าหรอกอนะศาสนาของคนที่กําลังพูดอย่างนั้นแหนะใช่ไม่ต้องเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่เชื่อตัวคนที่พูดนั้นแหละให้มากเพราะนั้นคนที่ปฏิญาณเนี่ยน ะ, ะดึงให้คนไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจะมีอะไรนอกจากอะไรนะถ้าเปรียบแบบโบราณบ้านเมืองโบราณที่มีพระเจ้าจากักรพรรดิปกครอง ก็มีกองโจรคอยดักซุ่มในระหว่างทางแกไม่ต้องไปพักดีต่อองค์จักรพรรดิหรอกนี่มาเชื่อฉันดีกว่านะนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะแบบบุคคลกลุ่มนั้นทำให้คนห่างจากพระพุทธรัตนธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะไม่ต้องการให้คนนีมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจะได้เข้าสู่หนทางกล่าวว่าเข้าทางเขาเลยมันนะเข้าทางเข้าทางไหนเข้าทางที่เขาดักหลุมพราง ถ้าคนที่เป็นพวกหาปลาเนี่ยเขาจะรู้วิธีการของล่อปลาคือเราวิธีล่อปลาเข้าหลุมพลงังเขาก็เวลาเนี่ยนี่น้าเน้นพ้นไปแล้วถ้าเป็นประมาณสักพฤศจิกาธันวาอันนัน้ที่ไหนที่ปลาชุกชุมเขาใช้วิธีโดยที่เบ็ดก็ไม่ต้องใช้ตาข่ายก็ไม่ต้องวางแต่ปลาเนี่มาเข้าข้องโดยธรรมดาของมันเองก็มีวิธีล่อวิธีล่อก็เท่าคืออะไร ก็ไปเอาคโคลนที่มันมีกลิ่นเหมือนคโคลนเก่าคโคลนแก่มาแล้วมาวางให้มันมีกลิ่นนะแล้วก็ทําให้มันมีคโคลนไหลลื่นๆเพราะฉะนั้นปลานี่มันได้กลิ่นเข้ามันอยากหาที่พึ่งพิงที่แน่นอนก็นึกว่าไอ้ไอคโคลนตรงนั้นเนี่ยเป็นคโคลนที่เรียกว่าเป็นน้ําขังตลอดปีเรียกว่าเป็นเหมือนกับแม่แมน้นํานี้ห่วงน้ําใหญ่มากก็ไปเอาคโคลนมาจากที่อื่นมาล่อมาวางเส่แล้วปลาก็เข้าทางทางอะไรทางหม้อกแกง นะทางเรียกว่าทางปลาเผาหมดเรียบร้อยในที่สุดก็ถูกเผาเกลี้ยงเลยนะเรียกว่าปลานี่เดินเข้าทางมันมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็เช่นนั้นเหมือนกันเลยนะมันก็พยายามที่จะปฏิเสธพระพุทธคุณการที่เขาปฏิเสธคุณของพระัตนะตรัยเขาไม่รู้หรอกว่าเขากําลังพลีชีบระเบิดตัวเองเนี่ยนะจากสุคติโลกสวรรค์อนะสระตัวเองเรียกว่าเดินทางไปสู่อบายทุคติวินิบาต์เขาไม่รู้ตัวรอก ขาะเดียวกันเขายังวางกับดัดกับดักเพื่อคนอื่นเนี่ยนะเพื่อให้คนอื่นไปลงหม้ อ, อกแกงเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็คือนรกกระเด็นราชาถ้าเป็นเรยาชารก็กุ้งหอยปูปลาไปไหนดีล่ะก็ไปหลงไปสู่หม้ อ, อกแกงนะให้คนอื่นเอาไปต้มเอาไปแกงเพราะนั้นเราก็เนี่ยโทษของความไม่มีศรัทธานในพระพุทธเจ้าพันการศึกษาพระธรรมอย่างไรก็ต้องเพื่อเจริญสัตทินรีวิริยินรีปัญญินรีสมาทินรียเป็นต้น เราคิดดูนะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีสุนัขขตะริชชวีบุตรคนเดียวเท่านั้นแหละที่ออกมาด่าพระพุทธเจ้าในจํานวนประชากรเป็นพันล้านนะที่เลื่อมใสไหนพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะที่เขา้าบรรลุไม่รู้กี่โกรธต่อกี่โกรธที่เขาออกมาปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่มีเลยผู้ที่บรรลุทำไม่มีเลยมีแต่สุนัขขตะริชชวีผู้เป็นคนมักโกรธเท่านั้นเองเป็นคนที่มักโกรธคิดว่าพระพุทธเจ้าริษยาเขา คิดว่าพระพุทธเจ้าเนตรนีในใคุณธรรมก็เลยออกมาเปิดเผยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอริยคุณอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้จริงเดาเอาเนี่ยนะก็ออกมาปฏิเสธเนี่ยนะออกมาปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่มีพระคุณอยู่จริงเนี่ยนะเมื่อออกมาปฏิเสธอย่างนั้นเนี่ยแนวความคิดทิฐิเหล่านั้นเนี่ยนะจําให้ดีนะบอกว่าคนที่ออกมาปฏิเสธอย่างนี้เนี่ยปฏิเสธพระพุทธคุณทั้งหลาย พระ อ, องค์บอกว่าถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละวาจานั้นเสียไม่เลิกคิดแบบนั้นเสียไม่สละความเห็นนั้นเสียเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกเหมือนนายนิรยบาลจับมาวางไว้ในนรกเช่นั้นเขาบอกกันอัตถกถาท่านบอกว่าเหมือนนายนิรยบาลจับมาวางไว้ในนรกเท่านั้นบางคนก็บอกว่าจะไปกลัวทําไมานรกเนี่ยนะเอา้าชีวิตของคุณจะเป็นมนุษย์ตลอดไปหรือก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าโลกอันชะาลานําไป ไม่ยังยืนโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อชาราพาไปนะในที่สุดเมื่อชารามากๆเข้าเอาไหมล่ะอายุสักหมื่นหื่นปีเนี่ยเอาไหมแล้วนะมันโทมลงทุกวันทุกวันนะมันไม่ใช่สวยขึ้นสวยขึ้นนะมันสุดลงทุกวันทุกวันน้ําก็กลืนไม่ลงเนี่ยนะแต่ไม่ตายเนี่ยไม่ให้ตายเอาไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่ในที่สุดไปไหนล่ะเมื่อจุติแล้วกาลังกตาวาเมื่อทํากาละกิริยาเนี่ยนะ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกมันเราจึงไม่ต้องแปลกแล้วว่าทําไ ม, มาแมลงเม่าจึงบินเข้ากองไฟเนี่ยมหาสาลทําไมพวกมดพวกปลวกเนี่ยจึงเดินทางไลไปสู่อะนะมดเนี่ยเดินไปไหนรู้ไหมปลวกนี่ไปอย่างไรเหล่าปลาทั้งหลายไปไหนเนี่ยนะมันก็คือไปสู่หนทางแห่งความทุกข์มันชีวิตของเขาเนี่ยเป็นทางแห่งคุกเป็นทุกข์ชั่วทั้งปัจจุบันและ สัมปราย่พบทุกในโลกนี้ก็ทุกเหนักหนาอยู่แล้วทุกในพบต่อต่อไปจะทุกอีกขนาดไหนหนอเพราะเขาละทางถูกมาเดินทางผิดพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนเกวียนเก่าเ ก, ากวียนเ ก, เก่าที่บรรทุกแต่หินนี่ยนะบรรทุกสิ่งที่ไม่มีค่าบรรทุกแต่หนักอันนี้หนักอึ้องเลยแล้วก็เป็นเกวียนเก่าๆด้วยแล้วถามว่าเกวียนนั้นเดินไปในหนทางที่มันโขุขรักถามว่าล้อเกวียนจะหักไหม ดุมเกวียนจะหักไหมตัวเกวียนนี่จะหักไหมเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่าว่าขนาดเกวียนเก่าๆแบบนั้นเลยเอารถดีดๆนี่แหละมาวิ่งถนนธุรกันดารเนี่ยนะวิ่งได้ไม่กี่กิโลนี่ก็พังหมดแล้วเนี่ยนะมันถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเดินทางผิดเดินไปสู่ทางแห่งความเดือดร้อนฉันใดมูสัตว์ที่เดินไปตามมิจฉามมักด้วยกายวาจาใจก็ฉะ น, นั้นที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเลือกจะเชื่อใคร ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกเราเลือกจะเชื่อใครพูดอย่างนี้เขามาไม่ได้พูดให้มาเชื่อกันมานะฟังให้ดีนะพูดให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อก็ตามอัธยาสัยก็แล้วกัน น, นะจะเลือกเชื่อเชื่อใครก็ตามใจว่ า, า ง, งั้นแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าในบรรดาคนที่ควรเชื่อเราควรเชื่อคนที่กำลังเดินไปสู่แดนประหารใช่ไหมเขากลังเรากาลังเชื่อคนที่กาลังจะถูกต้มใช่ไหม เราเชื่อคนที่กำลังจะถูกเผาใช่ไหมเรากำลังเชื่อคนที่จะไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกใช่ไหมเรากำลังเชื่อคนที่ไปสู่ชาติชรามรณะใช่ไหมเรากำลังเชื่อคนที่กำลังไปร้องให้ใช่ไหมเรากำลังเชื่อคนที่ไปสู่กองทุกเป็นเบื้องหน้าใช่ไหมเพราะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเราควรจะเชื่อบุคคลใดเราควรจะเลื่อมสายในผู้ใดเป็นต้นเพราะถ้าเลื่อมสายบุคคลทั่วๆไปนั้นเป็นอย่างไร หรือเราจะเลือกเชื่อใจตัวเองเอาใจข้าพเจ้านี่แหละเขาว่าว่ากั้นนะนะผิดถูกอยู่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอันะเอาแต่ข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้ายามราค่าเกิดข้าพเจ้าก็คิดอย่างหนึ่งยามข้าพเจ้าโทสะเกิดข้าพเจ้าก็คิดอีกอย่างหนึ่งยามข้าพเจ้าโมหะกรุ่มรุมเนี่ยน่ามึดตื้อไปหมดข้าพเจ้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตอนที่ข้าพเจ้ามีศรัทธาข้าพเจ้าก็คิดอย่างหนึ่ง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 ปฐมมาวัยก็อย่างหนึ่งมัชิมาวัยก็อย่างหนึ่งปัจฉิมาวัยก็อย่างหนึ่งตอนสุขภาพดีก็อย่างหนึ่งสุขภาพเสียก็อย่างหนึ่งแล้วจะเอาข้าพเจ้าตัวไหนดีหลักเนี่ยเอาข้าพเจ้าขณะไหนพอจะเป็นสารณนะเป็นที่พึ่งได้บ้างพอที่จะเชื่อใจแม้เชื่อใจตัวเองมากที่สุดถามเธอใจประเภทไหนใจมีราค้าหรือปราศจากราคะใจมีโทสะหรือปราศจากโมหะ หรือเอาใจที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญามันแสงหิ่งห้อยหรือว่ามันแสงประทีปหรือมันแสงดาวแสงเดือนหรือแสงอาทิตย์เนี่ยนะบอกเชื่อปัญญาของข้าพเจ้าเนี่ยนะปัญญาเนี่ยมันมีหลายประเภทเอาปัญญาระดับไหนเอาปัญญาระดับสุตตะมายาญาณจำได้หลงหล ง, ล, งลืมลืมจำนะลืมห ล, มลังจำซ้ายลืมขวาจำตรงกลางลืมข้างหัวข้งางท้ายไปหมดเนะี่เอาไงกันแน่เอหรือจะเอาสุตตะมายาปัญญาเอาศีลมายปัญญาเอมันยังไงก็ไม่รู้เอ๊มันแน่หรือเปล่าความรู้สิ่นเนี่ยนะ หรือเอาสมาธิภาวนามย่ปัญญานั่งอยู่แป๊บเดียวคิดได้ตั้งยี่สบสาสิบเรื่องไม่ใช่สมาธิแล้วฟุ้งซ่านจะชัดปังกันแล้วเอาใจที่เป็นกําหนดปัจจัยเอาปั จ, จยภปริหายานสัมมาสนาญาณอุทยพย า, ยานเอาปัญญาที่รู้เหตุเกิดความดับเอาปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไหนๆก็จะเชื่อใจตัวเองแล้วมันเอาใจประเภทไหนแล้เอามาคุยกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดูนะจะเอาอะไรเข้าว่าเนี่ยก็เรา เอาอะไรเป็นความมั่นใจของท่านท่านมั่นใจเพราะอะไรเอาใจไหนเนี่ยนะในบรรดาจํานวนใจทั้งหลายมันก็ต้องมาคุยกันดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่ออะไรนะทบทวนที่จริงอนะทบทวนไอ้แวงที่จริงอนะโอกาสช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทบทวนดีอ้างเอาปีใหม่เหมือนกนปีใหม่อะไรชาราขึ้นทุกวันเลยนะเราว่าความชาราใหม่ๆก็ไหลเข้ามาเยือนเข้ามาอีกแล้วเนี่ย น, นี่ใช่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 ความเสื่อมด้วยร่างกายไม่น่ากลัวเสื่อมเพราะโรคภัยก็ไม่น่ากลัวเสื่อมจากญาติก็ไม่น่ากลัวเสื่อมทรัพย์สินก็ไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความเ ส, สื่อมศรัทธาต่อพระตนะไตรน่ากลัวที่สุดเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราเชื่อคนอื่นทันทีเพราะคนเราเนี่ยนะมันน้อยนักที่มันต้องเชื่อคนใดคนหนึง่งเชื่อความคิดที่เราคิดนะทุกความคิดของเราเนี่ยเราอ้างอิงบุคคลบางคนอยู่ในใจลึกๆอยู่ เพียงแต่ว่าเราเนี่ยแยกออกหรือเปล่าว่าคำเนี่ยเรามาจากใครจําแม่นขนาดนั้นไม่ล่าว่าแวบเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังที่เรียกว่าเบื้องหลังทุกความคิดเนี่ยมีนะเรียกว่าปกตูป่นิสยาจัยบุคคลโภชนะโอตุเสนาสนะเป็นต้นเนี่ย ม, มีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในทุกความคิดเบื้องหลังของความคิดของเรานี่คือใครขอให้เป็นพระพุทธเจ้าเถอะวังนั่นนะถ้าพระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยเรียกว่าคนมีสารณะนะแต่ธรรมดาทั่วทวไปเนี่ยไม่มันต้องอ้างอิงเสมอนี่แหละ เพียงจะเอ่ยปากหรือว่าอ้างอิงใครอยู่ในใจหรือไม่ผู้ร้ายปากแข็งหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่จริงๆมันอ้างอิงอยู่ตลอดบางคนก็อ้างอะไรอ้างครอบครัวอ้างหน้าที่การงานในที่สุดเนี่ยวิธีการง่ายที่สุดเขาว่ามายกให้เขายกให้ดินฟ้าอากาศไปเลยนั่นแ่ะยกให้ภูเขายกให้อะไรนั่นแหะยกไปนู่นพยกให้เขาละไม่ยกให้หัวให้ตัวแล้วยกให้เขาไปเลยถ้ายกให้เขาอ่าเขาไหนมันยังไงยังไงใจของเรามันต้องอ้างอิงอยู่แล้ว เัราเราอย่าไปคิดว่าเราแม้ฉันเนี่ยบุคคลพิเศษบางคนนี่นอ้างอิงตำราตำราแล้วโรงพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วใครเป็นคนพิมพ์มันก็ต้องมีคนเน่ะถึงจะอ้างอิงตำราอ้างอิงอะไรก็ช่างมันก็คืออ้างอิงบุคคลทั้งหลายทั่วไปเพราในบรรดาบุคคลที่เลิศพร้อมทั้งโลกและเทวโลกมารโลกที่เราควรอ้างอิงที่สุดคือใครเนี่ยนะอันนั้ก็ต้องมากำค่อยๆกําหนดทิศ ท, ทางให้ดีๆถ้ากําหนดทิศ ท, ทางเหล่านี้ไม่ดี เสื่อมอย่างเดียวไม่ได้ครู่นะเล่าให้ฟังคนที่รู้อ่าคนที่กําลังจะตายแล้วรู้ตัวว่าตายดีหรือว่าไม่ควรรู้ตัวดีสมมติเราพายอีกสามวันเราจะตายสมมตินะทีนี้ถามว่าเราควรรู้ก่อนหรือไม่ควรรู้ก่อน<ม>ก็แล้วแต่ใครอ่ะนะ<ม>แต่เขามาบอกว่าเ้าเข้ามารู้ก่อนเมันจะดีจะได้เข้าศีลจําศีลรักษาศีลจะได้ปลอดภัยเน่ยนะนะ มันจะได้เจริญกรรมฐานจะได้ฟังธรรมจะได้สันเซิญพระรัตนจะได้จะได้อะไรก็ได้เครับทนะ่านก็เหมือนกับว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเราจะเดินทางเนี่ยเราควรรู้ตัวก่อนหรือไม่ควรรู้ตัวก่อนรู้ก่อนควรรู้ไหยว่าใช้ยานพาหนะชนิดใดไปพักที่ไหนอย่างไรบอกควรจะรู้ก่อนมันดีที่สุดถ้ารู้ว่ามันธุระกันดารก็จะได้เตรียมสเสบียงไปให้พร้อมเนี่ยนะถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องพ้นย้ายไปให้มันหนัก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 เพียนผิดเป็นต้นขยันอ่านหนังสือจริงๆเลยแต่ว่าไม่เปิดไฟอ่านกลาคือเดินเมือ่อแล้วก็ใช้ไฟทูบเนี่ยมาค่อยจุดแล้วอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไอ้ขยันแบบนี้ตามันยิ่งเสื่อมก็ไปทุกที่ทุกทีนั้นความขยันเนี่ยสมมติว่าเราเดินถูกทางเนี่ยแล้วเดินผิดทางอันไหนควรขยันอันไหนควรง่ถ้าเดินถูกทางควรเร่งควรภาคเพียนควรขยันเพราะมันถูกทางแล้วถ้าเดินผิดทางล่ะโง่เคลาดีที่สุดท่านก็บอกว่าในปาสาธิกาสูตรกล่าวว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมวินัยที่ศาสดาผู้โง่เขลาสอนที่บุคคลไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเขาบอกว่าขี้เกียจเนี่ยมันดีที่สุดจะได้รับคําชมโดยประการต่างๆเออดีแล้วที่ท่านขี้เกียจที่ท่านไม่ทําตามเออทําไมอะ่ะก็ศ า, าสดาของท่านไม่ดีจริงเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็ทั้งหลายก็เหมือนกันเราควรจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราที่เรานับถือเนี่ยพระองค์มีคุณอย่างไรอะไรเช่นใดแล้วพระองค์ช่วยเราตรงไหนได้บ้าง อ่ะ น, นะมันมันจะต้องรู้จักอ่านรายละเอียดเท่าความความเข้าใจในรายละเอียดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ทราบแต่ของมาเนี่ยชีวิตเนี่ยอยู่กับการศึกษาในเส้นทางสายนี้เนี่ยนะเรียกว่าอาจจะโดยอายุอาจจะไม่มากก็จริงแต่ว่าสนใจในเส้นทางสายนี้เป็นพิเศษเนี่ยนะเพราะอุ้ยเมื่อก่อนเนี่ยไปที่ไหนอรหันหมดขอให้เนี่ยนุ่งห่มปอน ป, อ น, ปอนหนอยอริยะเจ้าหมดอุ้ยกราบเลื่อมใสสนิทใจมากเออพอเราพูดแล้วทำไมท่านพูดแล้วทําไมมันขัดใจเราะ มันขัดหูนะครัว่าขัดใจนี่มันขัดหูทําไ ม, มทําแม่งทำแม่งอย่างนี้ไม่รู้แต่ก็มั่นใจวันนี้มันเออมันดีที่สุดแล้วเอาเข้าจริงๆไอ้เหมือนก็ไม่ใช่อีกแล้วอย่างไงคือมันเป็นอย่างนี้ชีวิตหนึ่งขชีวิตอ่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะที่ศึกษาในเส้นทางสายนี้เขาเรียกว่าเดินทางสายนี้เขาตั้งคําถามว่าเกิดมาทําไมบอกมาหาพระรัตนไตรเนี่ยนะว่าพระรัตนไตรยอยู่ที่ไหนก็ไปเท่าที่จะไปได้เนี่ยนะเท่าที่กําลังความรู้ความสา ม, มารถสติปัญญาที่จะ พาไปได้เนี่ยก็ไปไปเพื่ออะไรก็เพื่ออยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นน่ะคืออะไรแต่ก็ยังดีว่ามาจบลงที่พระไตรปิดกก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยถ้าไม่จบลงที่พระไตรดกไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อในภพสามกำเนิดสี่แต่เชื่อเถอะมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอกถ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับรองตัวเองได้เลยตกนรกแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นตี่ยนะพันเปอร์เซ็นตก็ได้เอาร้านเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ผิดละกั้นเถอะ เพราะอะไรเพราะเราไม่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราไปนับถือใครก็นับถือคนพาลทั้งหลายถ้านับถือคนพาลทั้งหลายจะไปไหนเพราะคนพาลไม่เคยสอนเราทำสุจริตหรอกเพราะมานี้ฟังแล้วไม่สบายใจเมื่อได้ข่าวว่าผู้เป็นผู้นําชักชวนบริวารทําอกุศลไม่ว่าจะเป็นปานาติบาตอธินาธนาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพฤะสวัจ า, ส, า, จาสัมผัพปลาปะ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 ระหไร่ราดน้ำข้าวก็คือราดก้าวอะเอาก้าวเาก า, กาลาเท็กเนี่ยมาราดลงแล้วก็ให้หนูกัดสะสางดูเถอะมันสางยังไงอ่ะมันสางยากฉันใดชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันในทุกทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสางยา ก, ยากเหมือนกันนะอันนี้น เ, นเอาถือเอาทวารตาเอาตาเราเข้าว่าเนี่ยเอาตาเราเนี่ยตาที่มีอะไรเนี่ยตอนที่โทสะมันเกิดขึ้นมันก็มองอีกอย่างหนึ่ง สังเกตดูนะเหมือนกับว่าตาที่เรามองเห็นภาพเนี่ยแล้วแต่สมมติถ้าเราใส่แว่นใช่ไหมถ้าเอาแว่นสายตายาวมาใส่มันก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเอาแว่นสายตาสั้นมาใส่ม er ันก็อีกอย่างหนึ่งเอาแว่นผสมสีชามาใส่มันก็วางอีกอย่างอย่างหนึ่งเอาแว่นดํามามาใส่ก็มองเห็นอีกอย่างหนึ่งฉันใดก็ดีจิตของเรามันแน่นอนสัที่ไหนเมื่อมันไม่แน่นอนและอะไรเป็นมาตรฐานในทถ้ำคางความไม่แน่นอนอย่างนี้เราควรจะเอาอะไรเป็น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 นี่ถ้าเราไปดูพระพิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านอยู่ในท่ามกลางลัฐที่สมัยพุทธกาลไม่ได้น้อยกว่าสมัยนี้นะสมัยพุทธกาลมีลัฐที่ใหญ่ๆ่อยู่หกสิสองัฐที่นะแต่ละรัฐที่เนี่ยวา่วางเขาจะมั่งถกกันสภารัฐที่เขาจะมีสภาที่ถกกันประชุมกันแล้วก็พูดคุยกันทะเลาะ ก, กันก็มีทะเลาะ ก, กันถ้าปั่นป่วนบ้านเมืองไปหมดก็มีเรียกว่าศูนย์ถกลรัฐที่ว่าง น, นั้นแหะ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 ข้อหนึ่อยเพระนนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตตะวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีแขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลภิกูรมากรูปด้วยกันในตอนเช้าท่านเหล่านั้นนุ่งแล้วถือบาดจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นต่างก็มีความคิดร่วมกันว่า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 ครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกัญญาเดรธีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกปริพาชกัญญะเดรธีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่านะเขาก็อะไรอย่างว่าเจ้ารัที่ก็ขายลัธททันทีเลยนะกขาขายลทัทว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย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 พระสมณโคดมเนี่ยเป็นนักปริญญากําหนดรอบรู้ในรูปได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรู้คือปริญญาในรูปได้เหมือนกันพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรทําปริญญาในกําหนดรอบรู้ในเวทนาได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรู้คือปริญญารอบรู้ในเวทนาได้ต่างกันไหม ผู้มีอายุทั้งหลายในเรื่องนี้อะไรเล่าเป็นข้อวิเศษอะไรมันพิเศษกว่ากันความพิเศษมันมีกันบ้างไหมผลที่มุ่งหมายหรือจุดหมายปลายทางมันต่างกันตรงไหนอะไรเป็นการกระทําให้ต่างระหว่างพระสมณะโคดมกับพวกข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนีการพร่ำสอนกับการพร่ำสอน เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือคือคำพูดอย่างนี้แปลว่ายกตนเทียมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนเช่นใดเขาก็สั่งสอนเช่นนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าเช่นใดวิธีการของเขาก็เช่นนั้นเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเช่นใดเขาก็มีเป้าหมายเช่นนั้นสรุปว่ามันต่างอะไรกันพระภิกษุเหล่านั้นท่านเถียงเลยใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดี ไม่ยินดีแปลว่าไม่ได้แปลว่าถูกใจนะก็รับฟังอนะรับฟังได้ยินเสร็จแล้วก็ไม่คัดค้านคําที่พวกปริพาชกัญญะเดรธีเหล่านั้นกล่าวก็เกิดค้านขึ้นมาคืออะไรค้านก็คือขัดคอนั่นแหละถ้าขัดคอคนที่กําลังขายฝันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไหมาย ไ, ไปพูดอะไรนะั้นไปขัดคอที่บ้านเมืองเขาด้วยเนี่ยนะที่วัดเขาด้วยเนี่ยไปขัดคอเจ้าวาดวัดไหนเดือดร้อนวดัดไหนล่ะเช่อไห มันไปขัดคอผู้ที่เป็นเจ้าสํานักนี่มันทุกข์มากๆเลยนะมันไปอยู่ในแหล่งน้องใครอย่าไปขัดคอเขาเด็ดขาดได้เวรกลับมาพระภิกษุเหล่านั้นท่านก็ไม่ไปขัดคอไปนั่งฟังอฟังจบก่อใหม่อินดีไม่คัดค้านลุกจากอาสนะจากที่นั่งนั้น่ะหลีไปก่อนจะไปนี่คิดว่าเราจากทราบข้อความแห่งภาษีนี้ในสํานักของพระพุทธเจ้านั่นะนะก็เรียกว่าส่งตรวจสอบก่อน เรียกได้ว่าส่งตรวจสอบให้พระพุทธเจ้าผู้เป็นมาตรฐานในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเรียกว่าตาช่างที่มาตรฐานที่สุดช่างดูก่อนใช่ว่าสองอย่างนี่มันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพวกเราก็จะได้ทรงจําคําที่พระองค์ตรัสเอาไว้อย่างนั้นเพราะความที่สมัยนั้นเขานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในนะอุทิศชีวิตกายวาจาจิตทั้งหมดเพื่อพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยฟังดูก่อนว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเนี่ยก็แล้วก็เขาเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่เชื่อใจตัวเองไงนะครั้งนั้นแหลภิกษุเหล่านั้นก็เที่ยวบินทบาตไปในพระนครสาวัตถีกลับจากบินทบาตในเวลาปัจฉาพัตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคมคือกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวรโรกาลเช้า ว, วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะพวกข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีพวกข้าพระองค์ต่างมีความคิดร่วมกันว่ายังเชา้ชาอยู่นักเช้าอยู่นักและว่าชาวบ้านเขาหุงข้าวยังไม่สุกเลยแบบนั้นเพราะน่นจะเพิ่งไปถ้าไปตอนนี้เขาไม่มีข้าวใส่บาตรหรอกนะเขาไม่มีอาหารแห้งแบบสมัยใหม่หรือเปล่ามโนะใส่ปลากระป๋องกับมาม่าอย่างั้น แต่ว่าไม่มีปลากระป๋องใส่นะก็เลยต้องแม่ต้องรอสายๆน้อยหนึ่งให้เขาหุงข้าวสุกก่อนแล้วค่อยไปประาณั้นก็เลยบอกว่าพวกเราอย่าเพิ่งเข้าไปบิณทบาทในพระนครสาวสถีเลยนี่นะทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกัญญะเดรธีเถิดพวกข้าพระองค์ต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญะเดรธีครั้นแล้วก re ็ได้สนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกัญญะเดรธีเหล่านั้น ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกปริพาโชคัญญาเดรธีก็ได้กล่าวคํานี้กับพวกข้าพระองค์เรียกว่าขายทิฐิทันดีเลยนะเรียกว่าอย่างว่านะพวกสมัยคือคื อ, คอทุกอย่างมันคือเรียกว่าการขายชนิดหนึ่งมันกันนะไม่ว่าจะขายความคิดขายอุดมการขายสินค้าขายอะไรก็ช่างมันก็คือการขายพันเมื่อไปที่ไหนเนี่ยนะการพูดอะไรให้อีกคนหนึ่งฟังอะ่ะจริงๆก็คือการขาย ขายสิ่งที่ทำคําที่พูดขายความเห็นขายอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันก็เลยลัดเบียรัติเหล่านั้นก็ขายลัดที่ทิฐิของวะนะเป็นการเปรียบเทียบด้วยว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรทำปริญญาในเรื่องกามได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกาหนดรู้กามได้ พระสมณะโคดมบ äh ouais, ัญญ äh uh ัต huh. ิข้อควรกําหนดรู้คือทำปริญญาในรูปได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรู้ทำปริญญาในรูปได้พระสมณะโคดมบัญญัติข้อควรกําหนดรู้หรือทำปริญญาในเวทนาได้แม้พวกขพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกําหนดรอบรู้ทำปริญญาในเวทนาได้ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายในเรื่องนี้อะไรเล่าเป็นข้อพิเศษ มันต่างกันตรงไหนว่าอะไรมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันเหลื่อมล้ําต่ำเขาสูงต่ํากว่ากันเนี่ยนะอะไรเป็นผลที่มุ่งหมายเช่นผลที่มุ่งหมายจุดหมายปลายทางมันจะไปต่างกันตรงไหนหรืออะไรเป็นการมันต่างกันยังไงระหว่างข้อปฏิบัติกับผลที่ปั้งที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะระหว่างพระสมณะโคโดมกับพวกข้าพเจ้านะเรก็ทําตัวเทียบตัวเสมอพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะดันการที่จะให้สาวกของเข้ามานับถือ อ, อยากให้สาวกของพระพุทธเจ้าไปนับถือพวกเขาเขาก็ขายว่าพวกเขาเองเนี่ยสูงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ระดับเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นระว่างพระสมณะโคโดมกับพวกขพเจ้าไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนิการพร่ำสอนคือการพร่ำสอนด้วยกันมันจะต่างกันตรงไหน พวกข้าพระองค์ก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านคําที่พวกปริพาชกอัญญะเดรธีเหล่านั้นกล่าวแล้วนะไม่ยินดีแปลว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยนะฟังแล้วไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเนี่ยะไอคอนที่ไม่ค้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเห็นด้วยเสมอไปใช่ไหเพียงแต่ว่าค้านยังไงก็ไม่สมควรค้านเพราะค้านแล้วก็มีเรื่องอันนี้ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยหรอกแต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเป็นที่มาแห่งการโต้เถียงเนี่ยนะเป็น ก็ว่าวิวาทเนี่ยะมันก็มีสองอย่างทะเลาะวิวาทมันก็มีแพ้กับชนะทีนี้เถียงชนะนี่มันโก้ตรงไหนออก่าเถียงชนะนี่มันไม่ได้เท่มันไม่ได้โก้มันไ่้อะไรเลยเนี่ยนะไม่เห็นหน้ามันหน้าต้องการขณะแค่ไหนไม่น่าปรารถนาแค่ไหนเขาบอกว่าการทะเลาะวิวาทมีอันนี้สองมีกําไรไหมถ้าถกกันจนชนะมีไหมบอกมีมีอะไรก็คือเนี่ยได้คําสรรเสริญบ้างะแต่มันก็น้อยอันหนึ่งนะ สองได้ลาบสการะบ้างแต่มันก็น้อยนั่นเป็นผลที่เกิดจากการทะเละวิวาทแต่โทษที่เกิดจากการทะเละวิวาทมีมากกว่าโดยเฉพาะวิวาททางลทัทธิเนี่ยนะยิ่งวิวาทกันเท่าไหร่ยิ่งใส่สีให้กันเท่านั้นเนี่ยนะก็ยิ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นยิ่งทำลายกันเท่าใดก็ชวนกันไปสู่อาบายเท่านั้นถ้าวิวาทกันเท่าใดพระสู่หนึ่งคงบอกว่าใจก็ห่างจากสมถะและ พิปั ส, สนาพระพภิสูรเหล่านั้นท่านไม่ไปเถียงอยู่แล้วเพราะอะไรท่านกลัวใจของท่านจะห่างจากคําสอนเนี่ยนะห่างจากคําสอนเพราะเรื่องการชําระลัตทิทิฐิเหล่านี้เป็นพุทธวิสัยเนี่ยนะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ความสามารถที่จะชําระลัตทิทิฐิเหล่านี้อยู่แล้วบุคคลเหล่านี้ถ้ามีบุญวาสนาพระพุทธเจ้าก็คงไปโปรดอยู่แล้วละ่ะในยุคนั้นนั้นเลยไม่ต้องห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นก็เลยลุกไปด้วยด้วยมีความคิดว่า พวกเรานี่ยจะทราบข้อความแห่งภาษีนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยนั้นเนี่ยเขามีการเข้าเข้าอีกค่ายหนึ่งเหมือนกันนะอย่างพระพุทธพระพิสูจนทั้งหลายก็เข้าไปในรัฐที่เดือไปในวัดของเดือรทีไปคุยกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไปภาษาวกภาษาดิบุตรเป็นต้นก็ไปเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองราชเครือ ก, ก, ก็มีการไปเยี่ยมเยียนกันบ้างแล้วก็ฟังข่าวคร า, าวของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างว่าเขาเขาพูดกันอย่างไรเขาทาอะไรกัน แต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ไปโต้เถียงไม่ได้ไปวิวาทอะไรกับเขาทีนี้เมื่อพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกัญญะเดรธีผู้มีวาทะลัตทิทิฏิอย่างนี้เนี่ยนะวาทะตัวนั้นแปลว่าลัตทิหรือทิฏิอย่างนี้ว่าพวกเธอเนี่ยนะพอได้ฟังอย่างนี้พวกเธอเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่า อุโสทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอัาธาอะไรเป็นอาทีนวะอะไรเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายเขเรียกว่าไหนไก็จะบอกว่าแม้เหมือนกันระหว่างพระสมณะขับพวกเขากับสมณะโคโดมเนี่ยเหมือนกันไหนไหนเอาคุยกันเลยว่าอะไรเล่าเป็นอะไรล่ะเป็นอัาธาสุขโสมนัสเรียกว่าความน่าเพลิดเพลินของกามอะไรเล่าเป็นอัาธาของกาม แล้วอะไรเล่าเป็นอา์ทีนวพิษภัยทุกโทษของกามอะไรเป็นนิสระณาการสลัดการถ่ายถอนกามทั้งหลายอันนั้น เ, เรียกว่าเอาหลักสัจจะไปจับเลย เ, เรียกว่าไอที่เขาพูดนี่มันเข้าสัจจะข้อไหนอันนั้นหรือเขาเาพูดพูดแบบคนเห็นอริยสัจพูดใช่ไหมเลยเรียกว่าอะไรเป็นอัาธะของกามคุณโดนนั้นไม่ใช่คุณนะประโยชน์นะอาศาาัศทะความหน้าเพลิดเพลินสุขสมมนัสนั่นเอง อะไรเป็นอาทีนวะโทษอะไรเป็นนิสระณการถ่ายทอนสลัดออกจากกามทั้งหลายนี่ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรูปอันนะเขาาคุยเรื่องรูปว่าเขาเนี่ยปริญญาในเรื่องรูปคือผู้ที่ทําปริญญาในเรื่องกามทั้งหลายจริงเนี่ยนะเขาจะต้องรอบรู้ว่าอะไรคืออสสาธะความน่าเพลิดเพลินพอใจของกามถ้าเขาเป็นคนที่รอบรู้เรื่องกามอะเขาจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นโทษของกามถ้าเขารู้จริงเขาต้องรู้ว่าวิธีสลัดออกจากเรื่องกาม เป็นอย่างไรเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าอย mm ่างสมัยใหม่เนี่ยนะใครที่มีความรู้เรื่องรถเนี่ยแม้แต่ละรุ่ น, แ ต, นแต่ละรุ่นที่ออกเนี่ยเขาพูดได้หมดเลยนะเขาเครียกว่าพูดเรื่องรถอธิบายได้อย่างละเอียดหรือเรียกว่า ใ, ใครที่พวกแบบชอบไกชนเนี่ยแม้พูดเรื่องไกชนแล้วมีจบมีสิน้นใครที่แบบแหมเลี้ยงสุนัขเนี่ยคุยเรื่องสุนัขกันได้ไม่จบไม่สิน้นอย่างเงี้ยคือใครที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะชอบเนี่ยนะใครชอบกฤฤีฬาอันใดอั น, ในหนึ่งแม้คุยเรื่องนั้นเนี่ยคุยอย่างเห็นได้เลยว่าออกรถออกชาติมาก เรียกว่าคอเดียวกันงหนกนี่ก็ลักษณะนั้นะนะถ้าคนที่บอกว่าแม่รอบรู้ในเรื่องกามเขาต้องรู้สิว่าอะไรเป็นอัาทะของกามอะไรเป็นอาทีนวะของกามอะไรเป็นนิสรณาการถ่ายถอนกลามทั้งหลายนี่ต่อไปถ้าเขาเป็นคนที่รอบรู้เรื่องรูปจรงิงอะไรละ่ะเป็นอัาทะความน่าเพลิดเพลินเกี่ยวกับรูปทั้งหลายอะไรเป็นอาทีนวะโทษของรูปทั้งหลายอะไรเป็นนิสรณาการถ่ายถอนสลัดออกจาก รูปทั้งหลายแล้วอะไรเป็นอัศาธานะความน่าเพลิดเพลินของเวทนาอะไรเป็นอาทีนวะโทษของเวทนาแล้วอะไรเป็นนิสรณการถ่ายทอนสลัดออกจากเวทนานะเรียกว่าตั้งคำถามถามเขาบอกเขาเนี่ยรอบรู้เรื่องการเรื่องรูปเรื่องเวทนาก็เอาอัาธ า, ธาอาทีนวะและนิสรณะไปจับในสิ่งเหล่านั้นกันแล้วสำรวจตรวจสอบเลยเอาอัศาธาว่า อะไรเป็นหน้าความหน้าชื่นใจความหน้าเพลิดเพลินอะไรเป็นโทษของสิ่งนั้นแล้วสลัดออกจากสิ่งนั้นสลัดได้อย่างไรทายถอนได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดรทีถูกพวกเธอถามอย่างนี้จากไม่พอใจเลยก็แปลว่าฟังแล้วโกรธเลยแลตั้งคำถามแบบนี้นะโอ้โหโมเรื่องนี้จริงๆเลยนะพเพราะที่เว่าถามตรงประเด็นเข้าตอบไม่ได้อะไรจะได้อะไรมา คับแขนอย่างยิ่งก็ได้โกรธอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยไม่ใช่แดนโคจรเนี่ยนะไม่ใช่ความรู้สามสา ม, มารถของลัทธิปริภาชกอัญญะเดรทีไม่ใช่เป็นความสา ม, มารถของกล่มอะไรกลมทิ่ฐิหกสิบสองเลยไม่อยู่ในวิสัยของทิฏฐิหกสิบสองที่จะเห็นอริยสัจใช่ไหม เพราะว่าข้อปฏิบัติของลัทธิที่หกสิบสองไม่ได้ประชุมลงสู่อริยสัจไม่ได้อย่างลงสู่อริยสัจอย่าลืมว่าอัสาธาเนี่ยนะเป็นสมุทัยสัจจะอาทีนวะคือทุกขสัจจะนิสรณการถ่ายถอนนั้นเป็นนิโรสัจจะและมรคสัจจะเพ้นลัทธิอื่นๆไม่ใช่วิสัยที่จะอย่างลงสู่อริยสัจเมื่อไม่อย่างลงสู่อริยสัจพอฟังคําถามเกี่ยวกับอริยสัจเข้าเกิดอะไรก็เดือดร้อนสิ ไม่พอใจเหลืก็แบบว่าโกรธมากเนี่ยนะนะแล้วก็ต้องคับแค้นอย่างยิ่งเนี่ยนะนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่เห็นผู้ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรปัญหาเหล่านี้หมายความว่าปกติคนทั่วๆไปไม่ได้ชอบตอบปัญหาเหล่านี้เลยเนะีนะ่ยในโลกเอาทั้งโลกเลยนะในหมู่สัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นเทวดาโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ที่มีความสุขในการตอบปัญหาเหล่านี้ยากมาก น, นะที่จะดีใจพอใจมีความสุขตอบปัญหาว่าอะไรเป็นอสสอาธาอาทีนวะนิสรณะของกามอะไรเป็นอสสอาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปอะไรเป็นอสสอาธาอาทีนวะนิสรณะของเวทนาที่จะมีความสุขในการตอบปัญหาเหล่านี้เว้นไว้แต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือไม่ก็ฟังฟังจากที่นี้ไป ฟังแล้วก็เก็บเอาไปพูดตามเท่านั้นเองเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าพูดรอบรู้ทำปริญญาเพื่อให้รอบรู้อสาธาทีนวะนิสรณะของการพระพุทธเจ้าผู้มีทำปริญญาเนี่ยนะเจริญปริญญาเพื่อรอบรู้อัศธาทีนวะนิสรณะของรูปพระพุทธเจ้าผู้ทำปริญญาเนี่ยรอบรู้อัศธาทีนวะนิสรณะของเวทนาหรือไม่สาวกของพระพุทธเจ้า ที่ทํากิจเหล่านั้นตามพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดตามเท่านั้นเองเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็ไม่ใช่ว่าแม้พระองค์บอกว่าเป็นผู้รอบรู้แต่ไม่ได้บอกว่าอะไรคืออัสาธาอาทีนวะนิศรณะของกามพระองค์ก็เลยบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอัสาธาของกามทั้งหลายอัสาธาเนี่ยแปลว่า สุกสมมนัติเนี่ยนะมาสิ่งที่ใดที่ความหวานชื่นหรือวว่ารถอร่อยของสิ่งนั้นนะนะเช่นบอกว่าถ้าเราทานอาหารที่มันท้องเสียนะอะไรเป็นความอร่อยของอาหารชนิดนั้นแล้วโทษของอาหารชนิดนั้นอะไรมั่งอย่างเงี้นะเรียกว่าจะละจะรักษาโรคที่เกิดจากอาหารชนิดนี้ได้อย่างไร น, นะถ้าสมมติว่าเป็นอะไรสุราเนี่ยนะอย่างเช่นสุราความอร ե อร่อยของสุรานี่มันอยู่ตรงไหน พิษภัยทุกโทษที่เกิดจากสุราคืออะไรแล้ววิธีเลิกสุราเลิกอย่างไรเลิกได้อย่างไรหรือไม่ก็อาบุรีอ่ะบุรีเนี่ยนะความอร่อยอร่อยความเพลิดเพลินของบุรีเนี่มันคืออะไรบ้างแล้วพิษภัยทุกโทษของบุรีคืออะไรและสลัดออกจากบุหรีเลิกบุหรีได้อย่างไรหรือไม่ก็ยาเสพติดทุกชนิดอันนั้นเช่นยาบ้าเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินความน่าชื่นใจของ ยาบ้าแล้วพิดภัยทุกโทษทุกอย่างที่เกิดจากยาบ้าคืออะไรเลิกได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าอสาศาธาอาทีนวะและนิสรณ ะ, ะนั่นเองแต่อันนี้ใช้กับกามกามมาคุณห้าประการคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคุณนะประโยชน์นะอนคุณนะคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยชน์ในหน้าหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดย่อหน้าที่บอกว่า บทว่ากามะคุนากาเมคุนาก็คือกาเมคุนนะนะกาเมคุนาคุนาตัวนั้นมาจากคําว่าคุณทับศัพท์ว่าคุณชื่อว่ากามเพราะอัฏฐาว่าแยกศัพท์เป็นคําว่ากามะบวกคุณนะกามบวกคุณคุณนี่ไม่ได้แปลว่าคุณท่านเธอเขาเหมือนนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นกามแปลว่าโดยศัพท์มีความหมายว่าบุคคลพึงยินดีตัวที่ทําให้คนยินดีตัวนั้นแหละเรียกว่ากามเป็นชื่อของโลภะ หรือเป็นสิ่งของที่น่าปรารถนาะตัวความตัวความปรารถนาะตัวที่ยินดีกับสิ่งที่ถูกยินดีอย่างหนึ่งคูณะตัวนั้นแปลว่าเครื่องผูกคูณะตัวนั้นเนี่ยเพราะอัตถาว่าเป็นเครื่องผูกเพราะในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วคูณะสับคุณคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคุณะประโยชน์ไปหมดนะนายพระไตรปิฎกบางทีคูณะตัวนั้นหรือคุณแปลว่าชั้นก็มีแปลว่าที่อยู่ก็มี แปลว่าอานิสง์หรือกําไรก็มีแปลว่าเครื่องผูกก็มียกมาสี่ตัวอย่างให้ดูว่าในพระไตรปิฎกคุณคุณตัวนี้เนี่ยคุณนะคุณนะเนี่ยนะไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยคุณนี่แปลว่าไม่ใช่ผมใช่ไหมอา้าวคุณก็แปลว่าไม่ใช่ฉันก็แปลว่าคุณนะอ่ะ น, นี่ไม่อันนี้คุณภาษาไทยนะถ้าคุณภาษาบาลีในะพระไตรปิฎกหนึ่งแปลว่าฉัน้นเช่นภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังขาติสองชั้น แต่ในบาลีจริงๆอะเขามีคู่น้าศัพท์ตัวนั้นด้วยหรือบางทีแปลว่าคุณเนี่ยแปลว่าที่อยู่ก็ได้อขอไปแปลว่าอยู่ก็ได้เช่นการย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นชั้นก็คือชั้นตัวเนี้ยแปลว่าอยู่ชั้นแห่งวัยแล ะ, ะย่อมละไปตามลําดับแปลว่าความเสื่อมเป็นไปโดยลําดับบางทีคู่หน้ตัวนั้นแปลว่าแปลว่าอานิสงเช่น ทักซิณาการให้ทานเนี่ยนะอันมีคุณตั้งร้อยอันบุคคลหวังได้เช่นให้ทานในสัตว์เดรัชานอั น, นิสงเท่าไหร่ได้คุณเท่าไหร่คุณตั้งร้อยก็คือได้รับอันนิสงร้อยหนึ่งหมายความว่าให้ทานกับเดรัชานได้อันนิสงร้อยชาติเนี่ยนะอันนี้แหละแค่เรียกว่าคุณะตัวนั้นแต่ว่าคุณะประโยชน์หรือกําไรอั น, นิสงอ่ะนะหรือบางทีเนี่ยคุณะแปลว่าเครื่องผูกเช่นพึงทำที่สุดกลุ่มที่สุด กลมกลมมาลาเนี่ยมีมากหรือบางทีก็อันตะขู่นังใช่ไหมอันตังกับอันตะขูนังอันตังนี่แปลว่าอะไรแปลว่าลำไส้คําว่าลำไส้ที่เราแปลว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยในพระไตรปิฎกคําว่าลำไส้ตัวนั้นอันตังตัวนั้นเนี่ยตั้งแต่หลุมคอตั้งแต่คอไปจนถึงทวารหนักเรียกว่าอันตังหมดเลยแต่ตัวที่มันรัดเกาะทําให้ลำไส้ไม่เขยืนไม่งั้นนี่มันจะบิดเบี้ยวยุ่งวุ่นวายไปหมดถ้าเกิดมันรัดกันเองเนี่ย ตัวที่ไปรัดไม่ให้ลําไส้เนี่ยมันไปรัด ก, กันเองเนี่ยอะไรตัวนั้นแหละเรียรกว่าอันตะคูน่นะังอการมคุณตัวนั้นก็เหมือนกันคู่นะตัวนั้นแปลว่าเครื่องผูกเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยเครื่องรัดดูก่อนพิสูจทั้งหลายในข้อหนึ่ง้ยเก้าสิบ็ดต่อเนี่ยนะบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายการมคุณเครื่องรัดคือสิ่งที่น่าเพลิดเพลินนี้มีอยู่ห้าประการแปลโดยศับนะเครื่องรัดที่น่าเพลิดเพลินคุณอากามตัวนั้นแปลว่าน่าเพลิดเพลิน คุณะแปลว่ารัฐแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งบอกว่ า, วาสิ่งที่รัฐโดยความน่าเพลิดเพลินมีอยู่ห้าประการนะเลยทับศัพท์บอกการมคุณห้าและกันง่ายดีการมคุณห้ามีห้าประการห้าประการเป็นไนคือรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุอิฐากันตามนาปาปิยะรูปตากามูภสษาฮิดาหน้าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจ น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันนี้หมายถึงอะไรนะสิ่งอคูณะที่แปลว่าเครื่องร้อยรัดเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินคือรูปรูปนั้นะ่ะจะต้องอะไรน่าปรารถนาอันนี้หมายถึงปยรูปสาตรูปะนะน่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจแล้วก็รูปเองก็เป็นรูปที่น่ารักจริงๆอะนะซึ่งใครมองก็บอกว่าน่ารักแหละและผู้ใดที่เห็นก็ต้อง มีฉันทราคาและเพราะรูปนั้น่ะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตอันน่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบ ด, ด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยขานะอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบ ด, ด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรส ที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหากร่า <c oughs> วว่ารู้ด้วยชิวหาวิญญาณเนี่ยนะอันหน้าอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธิภพที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณที่หน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่าร <c oughs> <ๆ>ักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคำพูดตัวนี้หมายถึงรูปดีๆเสียงเพราะๆกลิ่นที่น่าพอใจรสที่ อร่อยในความเชื่อของผู้นั้นนะและโลิตภัที่น่าปรารถนาอันั้นกรรมคุณห้าเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโลิตภัอันนั้นก็คือมหาพูทธรูปนะน ะ, ะรูปารมสัทธารมคันธารมรสารมโลิตภาณฑ์รมชนิดที่เรียกว่าแม้ใครก็ปรารถนาใครเห็นปั๊บพอใจเลยใครเห็นปั๊บชอบใจเลยอิ่มใจสบายใจพอใจมีความสุขทางใจที่ จะได้เห็นสิ่งนั้นได้ฟังสิ่งนั้นรู้กลิ่นอย่างนั้นรับรู้รสอย่างนั้นได้รับสัมผัสเช่นนั้นเนี่ยพอใจมากเต็มใจมากและรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นก็น่าน่ารักด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสเนี่ยชาบทานรูปไร้ไปด้วยตัณหาและเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแปลว่ายอมเลยนะย้อมเข้ามาถึงใจเลยนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย้อมใจเลยทาให้ใจ ลุมหลงด้วยอำ น, นาจราคาแปลภาษาไทยอีกครั้งบอกว่าเมาเลยว่า ง, งั้นเหรเห็นปั๊บเมาเลยได้ยินแล้วก็เมาเลยเป็นต้นชอบมากอันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมมาคุณห้าประการเหล่านี้อัสาธะของกรรมมีอยู่ว่าความสุขที่อาศัยกรรมมาคุณห้านี้เรียกว่าอัศทะของกรรมความยินดีที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นนะหนึ่งได้รับความสุขสองโสมนัสความดีใจความสุขทางร่างกาย ความสุขทางร่างกายและจิตใจความสุขเหล่านั้นที่เกิดจากการบริโภคการมคุณห้าการตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีกรรมคุณห้านี้เป็นอา ส, สาท่ของกรรมคือมันมันจะดีเนี่ยนะในเรื่องของรูปเสียงเปลีน่นรสผลิตภัณฑ์ดีตรงที่วันหนึ่งขณะที่หวังนี่ก็สบายใจแล้วใช่ไหมหวังว่าจะได้นี่แม้ยิ้มนิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็เสียใจจะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เสร็จแล้วก็หวังก่อนว่าอันดับแรก มีความสุขในการหวังก่อนนหะคิดว่าจะได้สองมีความสุขในการได้ใช้สอยและบริโภคสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้ค็ความสุขบ้างความดีใจบ้างที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่ากามคุณแต่จริงๆแล้วพงศ์บอกว่าอสสาธะเนี่ยนะไอความสุขและโสมนัสที่มาจากกามเนี่ยน้อยมากน้อยเหมือนอะไรเหมือนความฝัน นะรูปสวยๆเสียงเพราะๆที่เราได้รับความสุขเนี่ยนะน้อยเหมือนกับความฝันถามว่าในโลกเกิดมาเนี่ยใครฝันดีตลอดไม่เคยฝันร้ายมีไหมชีวิตจริงๆแนละ้วมันอยู่ในโลกแห่งความฝันดีหรือฝันร้ายก็ฝันดีหน่อยเดียวที่เหลือล่ะเมื่อตื่นขึ้นมาบอกเหมือนอย่างว่าคนที่ฝันว่าไปเที่ยวสวนที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเอาไม่มีแล้วเหมือนในโลกของรูปสวยๆเป็นต้นก็ฉันนั้นเนี่ยนะรสอร่อยอร่ยเป็นต้นก็เหมือนกับความฝันการทั้งหลายเหมือนกับ เหมือนคบเพลิงเหมือนหลุมฐานเพลิงเหมือนหัวงูเห่าเป็นต้นเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปถึงโทษของกามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีอาัศราธ า, าจริงๆพระองค์ก็ยอมรับว่าเออกามนี่มันให้ความสุขให้โสมนัติได้จริงก็ไม่ปฏิเสธแล้วพระองค์บางส่วนก็บอกว่าถ้ากามมาคุณคือรูปเสียงเปลี่ยนรสโภชภาพทั้งหลายไม่ให้ความสุขไม่ให้โสมนัติไม่มีใครติดหรอกครับแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้ให้ความ โสมนัสได้สัตว์ทั้งหลายจึงติดยิ่งนักเช่นติดบุรีเนี่ยนะถ้าบุรีไม่ให้ความสุขบ้างโสมนัสบ้างจะมีคนติดไหมสุราก็เหมือนกันถ้าไม่ให้ความสุขบ้างไม่ให้โสมนัสบ้างจะมีใครติดสุราไหมยาบ้าก็เหมือนกันถ้าไม่มีสุขบ้างไม่มีโสมนัสบ้างใครจะติดยาบ้าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ให้มันถ้าสิ่งนั้นไม่ให้ความสุขบ้างไม่ให้โสมนัสบ้างไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นหรอกแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านั้นให้ความสุขและ โสมนัสให้มากให้น้อยไม่รู้ในะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วให้ไม่มากเนี่ยนะให้ไม่มากโดยมากนี่มาดูโทษของเขาบ้างไอ้คาว่าสุขโสมนัสเกิดจากอะไรเกิดจากการหวังเกิดจากการสแสวงหาเกิดจากการรักษาเกิดจากการบริโภคใช้สอยในเรื่องของรูปเสียงกลิน่นรสโภชภาพทั้งหลายนี่เรียกว่าอัศทะนะที่นี้อาทีนวะกามเหล่านี้จะได้มาได้มาอย่างไรรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเนี่ยนะ ได้มาอย่างไรก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายอาทีนะวะเนี่ยนะโทษทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะโทษในปัจจุบันวันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้ปี น, ปนี้ปีหน้าชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้แล้วก็หลายๆชาติข้างหน้าโทษของมันคืออะไรบ้างเอาว่าปัจจุบันนี้ก่อนเช่นว่ากุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยัน ขยันหาอะไรขยันหารูปขยันหาเสียงขยันหากลิ่นขยันหารสขยันหาสัมผัสเนี่ยนะทํางานจนไม่มีเวลาฟังธรรมคล้ายๆกันเนี่ยโอ้ยขยันมากจริงๆเลยนะก็เรียกว่าขยันจริงๆเลยนะในการประกอบศิลปะขยันมากนะตื่นตั้งแต่เช้ามืดนอนดึกเดินเนี่ยนะแหมอดตาหลับขับตานอนคิดจะได้ประกอบแล้วก็ขยันจริงๆเลยว่างั้นเถอะอาบเหงื่อตางน้ํามือเนี่ยแหมอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะเช่นอาจจะประกอบอาชีพอะไรบ้างอ่ะการนับบ้างการ การนับคะแนนบังการคำนวณการนับคำนวณการถ่ยตลอดจนถึงการค้าขายการทำเลี้ยงโคนี่เรียกอะไรนะปะศุสัตว์ใช่ไหมเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรเกรนี่ยนะหรืออาจจะเป็นอาชีพยิงธนูก็คืออาชีพทหารเป็นต้นสายทหารสายตำรวจเนี่ยนะหรือเป็นราชบุรุษเนี่ยนะเป็นข้าราชการทั้งหลายหรือประกอบด้วยศิลปะอย่างใดยอย่างหนึ่งก็แปลว่าอาชีพทั้งหมดในโลกนี้เอาชีพที่สบายๆมีกี่อาชีพในโลกนี้ สบายจริงหรือว่าคิดว่าสบายะให้นับสัตนั่งนับสตังค์อย่างเดียวเลยเอาไหมไม่ให้ทําอย่างอื่นเลยนะชีวิตคุณเนี่ยทั้งชาติคุณนั่งนับเงินอย่างเดียวแล้วกันเอาไหมเอาว่าชาตินี้คุณนั่งเฝ้าตู้ทองอย่างเดียวกันแล้วกันไม่ไปไหนทั้งนั้นนะนะเอาไว้ให้ทั้งหมดกระจกกระทองซี่กครงที่ล้อมคุณเอาไว้ก็ะทองให้นั่งเฝ้าทองอ่ะคือมันมีอะไรบ้างที่มันแบบอะไรนะมันน่าปรารถนาจริงๆเอาเข้าจริงเลยชอบจริงๆเลยเนะ เอาไหมบอกมันจริงๆเข้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้หน้าต้องการจริงอะนะสรุปว่าประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเหมือนกันเถอะแต่ที่แน่ๆโดยมากเกือบทุกสาขาอาชีพต้องตรากตรำต่อความหนาวตรากตรำต่อความร้อนเนี่ยนะหนาวไหมร้อนไหมเวลาหรืองุ่นง่านหมายคำว่าแมตตามเนื้อตามตัวเนี่ยถูกยุงกัดอนะเหลือบ ก, กัดยุงกัดลมก็แรงแดดก็แรง หรือไม่คําว่าไอ้เหลือบยุงลมแดดปัญหากับผู้ร่วมงานเป็นต้นนะปัญหารวมทั้งผู้ร่วมงานนี่ก็เรียกว่าอะไรนะเหลือบยุงลมแดดเหมือนกันนะถ้าไอ้คนใกล้ๆมาสร้างความเดือดร้อนรําคาญใจให้อะไรให้พู้นี้ก็เป็นเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเหมือนกันหรือบางทีก็ต้องสัมผัสกับสัตว์เลื้อยคลานบ้างในที่สุดทำจนตายคาตรงนั้นมันก็มีนะก็น่าเห็นใจจริงนะอู้ชราแล้วแปดเก้าสิบแล้วก็ยังขายของง้อเงินอ่ะนะสั่นทังอก็แหมกว่าจะหยิบออกมาได้ แล้วก็ยีบเอามายืนให้ลูกค้าแล้วมานั่งนับสตางค์โงโง่โงโอ่เลยนะอ่าสงสารจริงแต่ถ้าไม่ให้ทําอย่างนั้นบ้างก็ตายเร็วเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะไม่มีเครื่องอยู่อะไรเลยเนี่ยนะเพราะบางทีบางทีเคยนั่งนะเห็นนะคนชราเฝ้าร้านเนี่ยนะแต่แหมกว่าจะหาอะไรเจอมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเวลาคือของขายของอะนะทําจนเกษียณไม่เป็นเลยนะมีใครสําเร็จจริงบ้างเอานี่ก็เหมือนกันอ่นะก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าตรัสยางไงบอกว่าทำจนตายอยู่ตรงนั้นบางคนก็ตายเพราะความหิวตายก็มีขายดีจนเป็นโรคกระเพาะออยางไงเนี่ยเพราะไม่ได้กินยังไงเนี้ยเป็นต้นหรือไม่ขายไม่ได้จนเครียดจนเป็นโรคกระเพาะหิวก็หายแล้วว่าตายจนเป็นโรคเนี่ยระบบทางเดิอนอาหา ร, รก็ได้ว่าต้องตายสรุปว่าตายอยู่นั้นกายคาตรงนั้นแหละ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกรรมทั้งหลายมีกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีการมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเขามีกรรมเป็นตัวบงังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายพูดถึงเรื่องนี้นะคนที่กำไรดีๆมันจนไม่กลา้าปิดจริงๆมันจนไปไหนไม่ได้นะคือคือวันหนึ่งเนี่ยเขานับตัวเลขได้เลยว่ากำไรมันมากขนาดไหนเพราะเขาปิดหนึ่งวันปั๊บเนี่ยมันกำไรเขาลดขนาดไหนเพราะคำว่าปิดห น, นึ่งวันนี่เครียดมากเลยนะทุกข์มากไปไหนก็ไม่มีความสุขคิดถึงไอ้ตัวเลขตัวนั้นที่มันหายไป จริงก็แทบไม่ได้ใช้หรอกท้าให้คนอื่นใช้กันนั้นแนะ่ะเพียงว่ามีความสุขกับการนับตัวเลขอนะกิน ก, ก็กินนิดเดียวนอนก็นอนนิดเดียวทําแทบตายเนะี่ยไม่ใช่แทบตายหรอกทำจนตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่ากินก็นิดเดียวใช้ก็นิดเดียวเนะี่ยเขากวดน้าให้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเสร็จแล้วก็อยู่อย่างไงแหละทําจนตายตรงนั้น้มันแม้ความชื่นใจกับตัวเลขที่มันมีจากตรงนั้นเนี่ยแหมความสุขมากนะอันตัวเลขมันขาดไปหน่อยหนึ่งแล้วหายเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งเดือดร้อนมากเลยนะ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสรุปว่าตายคาตรงนั้นว่างั้นเถอะอันนี้ข้อแรกนะโทษเอาไหมแม้สิ่งที่เราแบบแสวงหาก็จุติจนถึงตรงนั้นถ้าจุติตรงนั้นจะไปไหนดีมีสิ่งที่เราเรียกว่าชํานาญที่สุดเป็นอารมณ์เลยนะเอาไปไหนดีสมมติเอาอย่างเงี้นี่ไม่ได้พูดเฉพาะอาชีพเดียวนะมันก็ทั่งทํานาเนี่ยนะอย่างโยมเนี่ชยชวนบอกไปฟังทำเถอะบอกไม่มีใครทํานาว่า ง, งั้นแต่เจอนาฝนแรงเขานิ่งเงียบเลยนะปีนี้เลยมาฟังทำที่กรุ ง, งเทพเลย บอกอยู่วัดฟังทำเธอปีนี้ทั้งพรรษา บ, บอกไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดไ ม, มีใครทำนาแบบนัาบางง้ะใครจะทำเลี้ยงแบบนั้นทจริงเข้าไปครับฝนมาแรงเข้าทำทำตั้งนาเยอะแยะเลยได้ข้าวนิดเดียวเพราะไหนเขาฝนมาแรงอ่ะเชื่อแล้วถ้าอยู่วัดได้บุญทั้งสามสี่เดือนไม่เอาทำมาเอาทำบุญดุนไว้ใช้ชาตินาบาังเธออายุปัจบันนี้แล้วนะสมบัติในโลกนี้มันของโลกไม่เห็นมีของใครเลย ป, ปู่ของปู่ของปู่ของปู่ปก็ทำตายทิ้งไว้ให้หมดอย่างนี้เลยลูกของลูกของลูกของลูกก็ทำทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้มันก็ไม่ใช่ของใครอนะ ก็ก็ให้รู้ว่าที่สุดของสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร อ, นนอย่าลืรว่าพระพุทธเจ้าสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าแม้จะเอาแต่ประโยชน์อย่างยิ่งทิ้งไปหมดทุกเรื่องจนไม่ทำมาหากินไม่สนใจอะไรเลยนะอย่างที่เขาบอกว่าอ่านแต่หนังสือธรรมะอะไรไม่ทำสากอย่างเนี่ย น, นะไม่นานแต่เขาไม่ให้อยู่บ้านด้วยหรอก นะเขาจะไล่ออกจากบ้านเพราะน่ะอยากให้พอดีพอดีเธอหาไอ้ความพอดีให้มันพบว่าประโยชน์โลกนี้มันคืออะไรประโยชน์โลกหน้ามันคืออะไรบางคนนี่มันก็เกินไปเหมืนอนกันนะอ่านพระตไตรปิฎกตั้งแต่เช้าจนคำ่ำอะไรก็ไม่ทําแม้แต่นิดเดียวเสร็จแล้วตาก็เสียคนอื่นก็เป็นภาระอีกใช่ไหมแล้วในที่สุดก็โยนภาระไปให้คนอื่นคนอื่นก็หมั่นไส่มากเขารำคาญจริงๆเลยนะกลายเป็นว่าโยนภาระไปให้คนอื่นเขา มันจะต้องระวังเรียกว่าแวดล้อมให้ดีว่าหนึ่งเป็นภาระแก่เขาไหมเป็นภาระต่อคนอื่นไหมเนี่ยนะทำหน้าที่ของตัวเองหลายๆลอย่างอย่าลืมว่ามงคลมีสามสิบแปดข้อนะไอ้ที่เราทํำนี่มันอัปมงคลอยู่กี่ข้อก็เช็กดูให้มันให้มันได้มงคลทั้งสาสิบแปดข้อเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะคเครียกว่ามองไกลจนเรียกว่าเดินสะดุดล้มไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหรแล้วมัวแต่มองแง่น่าดูไกลไกลเลยนะ ก็เหมือนกับการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกับการใช้รถใช้ถนนนี่แหละมองแต่ไกลอย่างเดียวก็ชนมองแต่ใกล้อย่างเดียวก็หลงทางเนยหาความพอดีให้มันพบแต่ว่ามันควรจะแค่ไหนแค่ว่างั้นไม่ใช่ว่าโอ้แต่ไอะไร น, นะไอ้ทาที่ทำจนตายคาตรงนั้นอันนี้ก็เกินไปไอ้จนไม่สนใจอะไรไม่รับผิดชอบอะไรเลยมันก็เกินไปก็หาพอดีให้มันพบกนแล้วกันว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า และก็ประโยชน์อย่างยิ่งตนไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนเป็นตน้นถ้าจะเอาจริงๆก็อย่างที่ว่าก็มาบวชเลยนะก็ถ้าว่ามันจะจะเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังก็ ว, ว่าเป็นนักบวชบวชก็อยู่ไม่ได้อีกนั่นแหละมันก็เลยเนี่ยมันก็ยุ่งแค่ว่ากึ่งคนกึ่งพระกึ่งโยมเนี่ยนะมันยุ่งจริงๆเลยคนกลุ่มนี้จะว่าพระก็ไม่ใช่จะว่าโยมก็ไม่เชิงเป็นต้นเน่ยนะ ตอนที่ไปทํางานก็ทําเหมือนพระว่างง้นตอนไปทําเป็นเออมาบัวอยู่ในวัดก็ทําเป็นตัวเป็นโยมเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันก็เอาอะไรให้มันพอดีพอดีหน่อยก็แล้วกันว่าไงให้มันเหมาะสมบริหารตนเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปในะทั้งประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าให้ตัวเองตําหนิตนไม่ได้ผู้รู้วินยูชนทั้งหลายปราถททั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่ตําหนิตัวเองเนี่ยนะนะก็เรียกว่าให้อ่า ตนก็ติตนไม่ได้ผู้อื่นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ตําเนตไม่ได้เนี่ยนะก็เอาให้มันเค่เรว่ารู้จักคําว่าพอดีก็แล้วกันบอกพอดีแค่ไหนบอกเคยปรุงอาหารที่มันต้องแบบใช้เครื่องเทศเยอะๆไหมน้าปลาควรจะเติมเท่าไหร่พริกควรจะใส่เท่าไหร่ะเครื่องเทศทั้งหลายควรจะใส่เท่าไหร่ให้มันรสอร่อยนั่นแหละคือพอดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ต้องเท่านั้นกํ า, นน า, นนานนกหนดอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาความพอดีให้พบดังที่กล่าวไปเนี่ยนะ เพรอย่างบางคนเนี่ยถึงกับเรียกว่าศึกษาธรรมะจนไม่เลี้ยงดูพอ่อแม่ไม่สนใจในครอบครัวไปเลยอันนั้นก็มากไปหรือไม่คนที่สนใจแต่ครอบครัวแต่เขาไม่ศึกษาธรรมะอะไรเลยมันก็เกินไปเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวทวนอีกครั้งย้ําอีกทีว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างล่างแล้วก็ทิศข้างบนแค่เรียกว่ามองให้มันรอบทิศกันแล้วกันแค่เรียกว่าคนมีตาครับว่างั้นคนมีตาก็เห็นโดยรอบ เขาบอกว่าคนที่เห็นแต่คนไม่ทําประโยชน์โลกนี้ก็ไม่สําเร็จทําประโยชน์โลกหน้าเป็นต้นก็ไม่ได้เรียกว่าคนตาบอดเรียกว่าตาบอดอันธาจาักขุคนตาบอดคนที่ได้แต่ประโยชน์โลกนี้แต่ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าเรียกว่าคนมีตาข้างเดียวส่วนคนที่มีตาสองข้างก็คือได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกต่อต่อไปนะเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นให้เป็นสุขนั่นเองนี่อ่ะข้อแรกก่อนนะทําจนตายคาที่คางาน ข้อที่สองดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าเมื่อบุกุกลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเหล่านั้นไม่สำเร็จผลทาแล้วก็เจ๊งว่างั้นเถอะทำแล้วก็ขาดทุนยับเยินไปหมดเลยเนี่ยนะเขาก็ย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวนถึงความหลงเหลือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอะํานาก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวว่างั้นเถอะเป็นต้นเนี่ยทานาก็ไม่ได้เกี่ยวข้าว ค้าขายก็แหมหมดทุนเลยบ่างั้นนะเอาจนมอยเหลือไม่มีคิดว่าทุนยังไม่เหลือนะคิดว่าทําอะไรจนหมดตัวบ่างั้นจนะเป็นโมฆะศูนย์เปล่าไปเปล่าๆทาแล้วศูนย์เปล่าหมดเนื้อหมดตัวเป็นต้นเนี่ยก็ก็มาบ่นว่าโอ้ที่ที่เราทําเนี่ยมันโมฆะเนอฟาเนาะไม่มีประโยชน์เนอศูนย์เปล่าหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันนี้เล่าก็เป็นโทษของกรมทั้งหลายเป็นกองทุกที่เห็นกันอยู่มีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเขามีการมเป็นตั ว, ตวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายแค่เรียกว่าบริหารจนเจ๊งมันกันนะ่อยนะเจ๊งจนไม่รู้จะเจ๊งยังไงแล้วเอาจนหมดตัวจริงๆเลยแหละเหลือแต่ชีวิตกระลมหายใจรอวันดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอย่างที่สามอีกดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบดนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้ โคะเหล่านั้นสําเร็จผลโอ้ทําจนประสบความสําเร็จมากเลยน ะ, ะสเสวยทุกโทมนัสที่มีการคอยรักษาโคะเหล่านั้นเรียกว่าหาจนประสบความสําเร็จพอสําเร็จแล้วดูแลแล้วกันนี่นะตอนแรกก็หาให้มันได้ก่อนพอมันได้แล้วก็ลําบากในเรื่องการดูแลยมหลายท่านก็เล่า ว, ว่าไอ้หานี่มันก็ยากอยู่แล้วรักษายากกว่าเยอะคำนั้นนะก็ต้องมีคอยดูแลเนี่ยนะบังคับว่าทําอย่างไรพระราชาไม่ยิบเอาไปเนี่ยนะ จริง่งพระาราชาโบราณแล้วก็รีบเลยนะถ้าหากว่าผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือโจรปล้นไม่ได้ไฟไม่ไห ม, ไม้น้ําไม่พัดไปหรือทายาทอัปรีไม่พึงเอาไปผ่านเกลี้ยงเนี่ยนะเรียกว่าลูกหลานที่ที่เรียกว่าเกิดมาผลานสกุลเหมือนกันเถอะเรียกว่าเกิดมาแค่จเอาไปผลานหมดเมื่อกุลบดนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วรักษาสําเร็จไหมบอกไม่ พระราชาทั้งหลายก็ริบโหคะเหล่านั้นเอาไปก็ถูกยึดซับเลยนะในที่สุดก็ซับถูกยึดหมดโจรก็มาปล้นเอาไปถูกคมคูและคู่รีดเอาไปไฟก็ไหม้เสียก็สังเกตดูในเวลาคนที่สแสวงหาอะไรมาได้แล้วไฟไหม้เลยนี่เป็นยังไงแม้บ่นร้องให้เลยนะแล้วก็น้ําก็พัดเอาไปยามน้าท่วมเนี่ยนะรัย์สินเสียหายเนี่ยโอ้มันทุกข์กันจริงๆ สรุปว่าประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างปีนี้เนี่ยนะตายเกือบพันนะใช่บาทเจ็บไปมื่นกว่าสองมื่นนี่ถามว่าสูญเสียเป็นคนเนี่ยจำนวนทรัพยากรคนก็ร่วมสองมืนสามมื่นเนี่ยนะเสียใจไปเท่าไหร่แล้วเ็เสียทรัพย์ไปกี่แสนล้านเนยนะ ถามารถต้องเสียไปกี่คันเสียหายชีวิตดูแลการรักษาพยาบาลเป็นต้นเนี่ยศูญเสียทรัพยากรไปเท่าไหร่คือว่าในที่สุดเนี่ยนะสแสวงหาทรัพย์สินสแสวงหาเงินทองทํางานทั้งปีมาเพื่อไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะสแสวงหาค่าเล่าไปเมาจนได้เรื่องว่างั้นเถอะจนได้เจ็บจนได้ป่วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครจะว่านายที่สุดก็ศูญเสียว่างั้นนะศูญเสีย ในที่สุดก็จะถูกล้างถูกผลานเกลี้ยงเขาก็ย่อมเศร้าโศกลําบาดรําพันตีอกหน้าคร่ําครวญถึงความหลงเหลือนว่าสิ่งใดเล่าเคยเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ของเราแล้วหวังกันเถอะแต่ก็ยังคิดว่าของเราอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วเคยมีเขาเรียกว่าความทุกข์ของคนเคยมีบัตรนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะดูความที่สุดทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของกรรมทั้งหลาย เป็นกองทุกขที่เห็นกันอยู่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นลูกความวิสูตรทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายแม้กว่าจะได้รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเพื่อสุขสมมนัสนิ่นๆหน่อยๆเ น, นี่ยนะแต่แหมโทษอย่างอื่นอีกแม้พระราชาก็วิวาดกันกับ พระราชากษัตร hi ิย์วิวาดกับกษัตริย์พราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์เครือาบดีวิวาทกันกับครือาบดีมารดาวิวาดกับบุตรบุตรวิวาทกับมารดาบิดาก็วิวาดกับบุตรบุตรก็วิวาดกับบิดาพี่ชายวิน้องชายก็วิวาดกันกับพี่ชายน้องชายพี่สาวพี่ชายน้องชายก็วิวาดกับพี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวก็ทะเลาะวิวาดกับพี่ชายน้องชายสหายก็วิวาทกันกับสหายในที่สุดก็ได้เวรเหมือนกันค่ะ ได้เวีทะเลาะ ก, กันและคนวิวาทกันไม่เคยปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขรอกคิดว่าอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งจะตายได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียทรัพย์สินได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งจะสูญเสียถูกหลอกถูกคดถูกโกงเป็นต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทะเลาะ ก, กันก็แกงแย่งกันวิวาทกันในที่นั้ น, น, นทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราตายตรงนั้นมากทุกปางตายบ้าง ดูความพิสูจนทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกาลเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกาลเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะก็เคยเห็นกันอยู่แล้วนะตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆดูความพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกาลเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกาลเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายสงครามก็เกิดขึ้นสงครามทั้งหลายนี้เกิดจากศึกชิงกามทั้งหลายนั่นเอง ฝูงชนก็ต่างถือดาบและโล่สอดแหล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายลูกศรก็ยิงกันไปตอนนี้บอกขี่ปนาพุธแล้วว่างั้นนะนะไม่ใช่ลูกศรธรรมดาแล้วเนี่ยนะแบบขี่ปนาพุธแบบระบบกดปุ่มหมดแล้วเนี่ยนะหอกทั้งหลายก็พุ่งไปนะดาบทั้งหลายก็พุ่งไปบอกนั่นสมัยก่อนสมัยนี้ฝนดาบฝนระเบิดโอ้โยฝนเนี่ยมันตกมาเหมือนหาฝนเนี่ยนะเพืบตกมาระเบิดตุ้มๆเนี่ยนะ บ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยก็สมัยคนอายุสมัย ส, ยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ น, นะแม้หลบกันหน้าดูเลยนะหลบไปอยู่ตามที่ต่งางๆเนะี่ยระเบิดตกท่วมไปหมดเลยนะก็หลบไปพึ่งวัดบ้างหลบไปพึ่งที่ตรงนั้นบ้างที่ตรงนี้บ้างเลยนะก็ทราบว่าชิงรูปเสียงกลิ่นรสและโพธิภะทั้งหลายทําให้เกิดสงครามเพราะฉะนั้นฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศอนเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะในที่นั้นบ้าง พากันตายไปตรงนั้นบ้างทุกปางตายบ้างกระร่องกระแร่งอันนะเอามาตายที่โรงพยาบาลบ้างมาตายที่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นต้นบ้างดูความพิสูจทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูความพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเห็นแห่งการทั้งหลายฝูงชนถือดาบและโลดสอดแร่งธนูตรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบทาด้วยเปลือกตม้มร้อนเครียกว่ารบกันค่าเรียกว่าค่ า, าศึกประชิดเมืองเนยนะค่าสึกประชิดเมืองก็ลูกศอนก็พลูเข้าไปหอกก็พุ่งกันไปดาบก็กวัดแกงกันไปเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นก็ถูกลูกศอนเสียบบ้างถูกหอกแทงบ้าง แล้วก็ใช้โคลไม่เนี่ยนะเอาขี้วัวเนี่ยมาต้มให้มันร้อนแล้วก็ราดลงไปไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ราดคนที่อยู่ข้างล่าง น, นะก็ได้ว่าถูกทอดเป็นบางทีก็ถูกสับด้วยคราตัดศะนะีรษะณที่นั้นๆเนี่ยนะมันทั้งทั้งสงครามประเภทนี้นะมีทั้งในยุโรปมีทั้งอินเดียแล้วก็เมืองจีนเนี่ยนะสงครามประเภทนี้บ้านเราก็ได้ข่าวบ้างแต่ไม่ค่อยมากถ้าเทียบกับประชากรเหล่านะั้นแล้วก็สงครามเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้จริงๆนีนะ แล้วก็ตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายตรงนั้นบ้างบูกร่อนพิสูจทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกขที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกร่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นแหละฟูงชนตับที่ต่อบ้างอันนี้ก็คือหมายถึงว่าอะไรนะโจรนะ ปล้นกวาดล้างบ้างกระทําให้เป็นเรือนหลังเดียวดักทางบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นก็เพราะเรื่องกามนั่นแหละพระราชาจับคนนั้นๆที่ทําความผิดตามคดีต่างๆแล้วก็ลงโทษลงกรรมกรแปลว่าการลงโทษแบบโบราณทั้งสมัยนี้ก็มีนะเช่นเคียนด้วยแท่บ้างเคียนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ค้อนบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าบ้างเมื่อวานนี้เห็นภาพอุจจารมาเอาเอ า, เ อ, าอะไรนะ เท้าเนี่ยไปเสียบกับไอไ อ, ไอมไอเตอร์ไซค์นะโอ้โเห็นแล้วแมือนผ่าเหมือนกับผ่าเท้ากลางเลยนะแล้วก็ไอเศษเหล็กไอเหล็กที่มันบาดเท้าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในนั้นน่ะออเห็นแล้วบาดเสียวเลยงั้นเพราะนั้นก็ถูกตัดมือบ้างถูกตัดเท้าบ้างถูกตัดจมูกบ้างตัดหูบ้างตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกบ้างบางทีก็มอกเขี้ยวน้ำส้มเปิดกระโหลกแล้วก็เทอะไรนะเอาเหล็กแดงแดงโหย่อนลงไปโบราณนี่ก็โหดกันมั่ง บางทีก็ขัดมันบางเอากระดูกมาขัดมันเรียกว่าคอสั้งนะนะคอสังก็กระดูกขัดมันเนี่ยเอาอะไรนะแปงลงร่วนมาขัดขัดบางทีก็ปากราวหูเนี่ยนะเรียกว่าเอากันไกลเนี่ยตัดกระพุ้งแก้มเนี่ยตัดเข้าไปตัดเข้าไปนะบางทีก็เรียกว่าพุ่มเพลิงก็หมายความว่าราดน้ํามันจุดไฟเผาหัดถโชปะโ ช, ะโชตาก็คือเอามือเนี่ยมามัดกับไฟแล้วก็จุดไฟเผานุ่งหนังช้างก็คือนุ่งหนังพลกหนังให้นุ่งอ่ะนะนุ่งสารายก็คือ นุ่งหนังตัวเองอะ่ะยืนกวางก็เป็นการลงโทษแบบอะไรนะย่างเป็นๆอ่ะนะถูกย่างอะ่ะหรือไม่ก็กระชากแล้วเอาเบ็ดเกี่ยวแล้วกระชากเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นบ้างแล้วก็ควักเนื้อทีละทีละบาดเนี่ยทีละกรหาปนะหมายว่าเล่นเนื้อออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นบ้างใช้แปลงแสบขัดแล้วก็แปลงแสบขัดแล้วก็ราดด้วยน้ําส้มอ่ะนะหรือไม่ก็บางทีก็วนริ่มวนริ่มก็คือ เอาเชือกมารัดแบบเคยเห็นแบบศีษานักมวยไหมแล้วก็เอาไม้มารัดแล้วก็ขันขันขันขันเรียกว่าขันชะนอกนะก็วนลิ่มหรือไม่ก็ต่างฟางแล้วก็ทุบซะจนกระดูกป่นหมดเหลือแต่หนังเหลือแต่เนื้อราดด้วยน้ำมันที่เดือดพล่านบ้างให้สุนัข ก, กินบ้างให้จระเข้กินบ้างนนะ เสียบหลาทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะบ้างตายตรงนั้นบ้างเกลือปางตายตรงนั้นบ้างดูก่อนพิสูทั้งหลายอันนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีการเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นหรือบางทีดูก่อนพิสูทั้งหลายอันสุดท้าย เอกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายทั้งนั้นนั่นแลฝูงชนก็ทําชั่วด้วยกายหมายถ้าทําอะไรบ้างฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมทําชั่วด้วยวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็เพอเจอทําความชั่วด้วยใจก็คืออภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิชนเหล่านั้นประพฤติกายะทุจริตทาชั่วด้วยกายวาจาและใจเบื้องหน้าแต่ตายกายแตก เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยนะไปเห่าไปฮอนเป็นมดเป็นแรงเป็นปลวกตกนรกหมกไหมถูกเผาย่างเป็นย่างตายเป็นต้นดูความพิสูจทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายที่ในสัมปรายะภพก่อนหน้านี้เป็นทุกในปัจจุบันใช่ไหมชาติต่อต่อไปภพต่อต่อไปก็ทุกเพราะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นนั่นแหละสุขสมอนัสเครีลว่ามันอร่อยน้อยทุกมาก การทั้งหลายนี่อร่อยน้อยแต่ทุกมากทุกขของกางนี่หาประมาณไม่ได้ดูการพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเป็นนิสระณนะการถ่ายถอนการทั้งหลายเล่าดูการพิสูจ น, าา น, น, าาน์ทั้งหลายการกําจัดฉั้นธราคะในกลามเขาเรียกว่านะตัดฉั้นธราคะด้วยอริยมรรคในวัตถุกลามทั้งหลายหรือด้วยอนณาคามีมรรคเนี่ยนะกำจัดฉันธราคะด้วยอนาคามีมนะรร ค, าาคา ม, ม, มีนิพพานเป็นอารมณ์การละฉันธราคะ ด้วยอริยมรรคคือด้วยอนาคามิมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ในการทั้งหลายนี้เป็นนิสรณะณการถ่ายถอนกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกามวิสัยแห่งกามพ้นจากความเพลิดเพลินในรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธะะทั้งหลายได้สูงสุดจริงก็น่อนอนาคามิมรรคดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งนักบวชทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่รู้ชัดอัดาธของกาม โดยเป็นอัสาธาอาทีนวะของกามโดยความเป็นอาทีนวะนิสนาการถ่ายถอนกลามโดยความเป็นการถ่ายถอนอัสาธาของกลามคือสมุทัยสัจจะอาทีนวะโทษของกลามเป็นทุกขสัจจะการสลักตัดออกตัดฉันทราคะในการเป็นมัคสัจจะและนิโรสัจจะผู้ที่ไม่รู้เห็นอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นนั้นหรือจะทำปริญญารอบรู้ในกามด้วยตนเอง หรือว่าจะชักจูลบอกสอนคนอื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติทำปริญญารอบรู้ในกามทั้งหลายข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ตัวเองไมไ่แทงตลอดอริยสัจในเรื่องการมเลยทั้งสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยนะขณะเดียวกันถ้าไม่รอบรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ทำปริญญาเพื่อแทงตลอดอริยสัจในเรื่องการมแล้วจะสอนคนอื่นได้อย่างไรมัมันเป็นไปไม่ได้หรอก ดยความพิสูจน์ทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่านึ่งมีวิชาคือรู้ชัดรู้ชัดด้วยปัญญาเนี่ยนะด้วยอนาคามิมักเป็นต้นรู้ชัดซึ่งอัาทะของกามโดยเป็นอัาทะอาทีนวะของกามโดยความเป็นอาทีนวะนิสรณะณาการถ่ายถอนกามโดยการเป็นการถ่ายถอนนิสระณะตามความเป็นจริงพระอรียเจ้าเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละจักรอบรู้กามทั้งหลายได้ด้วย ตนเองเนี่ยนะนะรู้ด้วยพระพุทธเจ้ารู้ด้วยสัพพัญยูเนี่ยนะนะหรือจักชักจูงแนะนำชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักทาปริญญารอบรู้ในกรรมทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ก็เท่ากับว่าปฏิเสธนอกศาสนาที่จะรู้อริยสัจในวัตถุกรรมทั้งหลายแต่ในพระพุทธศาสนาก็ ปฏิบัติตรัสรู้อริยศาสตร์ตอ่าจะรู้เรื่องโลกของกามก็อย่างลงโดยอริยศสตร์ว่าอัสสาธาความอร่อยหวานชื่นของวัตถุกามอย่างไรพิษภัยทุกโทษของวัตถุกามทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปการถ่ายถอนการสลัดด้วยข้อปฏิบัติเหล่าใดและต้องรู้ธรรมะอันใดจึงจะถ่ายถอนกามได้อย่างแท้จริงจะต้องรู้ถึงระดับไหนจึงจะพ้นวิสัยของกามทั้งหลายได้จริง ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญธาตมหาทุกขกขันธสูตรคือในมหาทุกขกขันธสูตรนั้นกล่าวถึงการพิจารณาอัฏฐะอาทีนวะนิสรณะของกามอัฏฐะอาทีนวะนิสรณะของรูปอัฏฐะอาทีนวะนิสรณะของเวทนามีสามอย่างกามรูปเวทนา อสาธะนี่ให้รู้เธอว่าหมายถึงสมุทัยสัจจะอสาธะตรงนี้ก็แปลว่าคุณคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าถุกคุณคุณไม่ใช่คุณนะประโยชน์นะแต่เขาแปลให้มันเรียนแบบตรงกันข้ามกับคําว่าโทษแต่จริงๆอัาธาบาลีนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้แปลว่าคุณแต่แปลว่าความน่ายินดีความน่ายินดีของรูปโทษของรูปแล้วก็ อุบายที่จะถ่ายถอนออกรูปถ้าพูดสำนวนที่เราคุ้นเคยเลยอ่ะวิธีคิดคิดง่ายๆอย่ายงนี้ก็ได้ว่ากามกามมัสมูไทยกามมณีโรตกา ม, มานณโรทคาไมินีปฏิปทาคําว่ากามก็คือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะกามมัสมูไทยก็คือเนี่ยความน่า ย, ยินดีของกามกามนี่มันให้สุขสมานัดอย่างไรกามมณีโรตกามนิโรทคามินีปฏิปทานั่นแหละคืออุบายเครื่องสลัดออกจากกามนี่มาขึ้นรูปว่า รูปรูปคือภูตรูปและอุปาทายูปเนี่ยนะรู ป, ร, ปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ในพระสูตรนี้แสดงเป็นปุลาทิฐานเป็นหลักเนนะไม่ไม่ไม่เน้นโดยธาตุแต่รูปนั้นแสดงโดยปุลาทิฐานเป็นการแสดงกายานุปัสนาอีกวิธีหนึ่งมันใครที่สนใจกา ย, ก า, ยานุปัสนาสติปฐาน ดูมาหาทุกขคันท่สูตร พ, พูดถึงโทษของรูปโทษของรูปนั่นแหละคือการประกาศอารมมณะปะจัจจัยหรืออารมณ์ของกายานุปัสนาสติปัฏฐานในหน้าหนึ่งหน้า120ข้อสองหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอัศสสธะของรูป คือรูปเนี่ยมันน่ายินดีอย่างไรรูปนี้น่าพอใจอย่างไรรูปน่าปรารถนาอย่างไรหรือเทพพูดอีกแปลกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่ารูปมันน่าปรารถนาอย่างไรรูปนี่น่าพอใจอย่างไรรูปให้สุขสมนัตอย่างไรนั่นแหละคืออัศทะของรูปคือความน่ายินดีของรูปดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นความน่ายินดีของรูปทั้งหลายดูก่อนพิสูุทั้งหลายเหมือนอย่างว่า อันนะี้ยกตัวอย่างนางสาวเผ่ากษัตริย์นนะเรียกว่าเป็นขติยะตระกูลเผ่าพราหมณ์หรือเผ่าเครืหาบดีเอาแบบกลุ่มคนที่เรียกว่าไม่ตรากตรางานหนักเนี่ยนะนะเอากลุ่มคนที่ว่ามีบุญว่างั้นเถอะบุญอย่างดีนํามาเกิดเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพราหม์มหาศาลครืหาบดีมหาศาลผู้มั่งคั่งเนี่ยนะนะมีอายุระบุได้ประมาณสิบห้ปีหรือ16ปี ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่พร้อมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปก็แปลว่าคนสวยว่างั้นถต่ประกวดนางงามจั ก, กรวาลได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในสมัยนั้นนางคนนั้นนั่นแหละงดงามแปลงปลังปล่งเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่บอกว่าสวยจริงๆเลยใช่ไหมบอกพิกษุก็พากัน ก, กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ความสุโสมมนัตอันใดที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามเปล่งปลัง่งนี้เรียกว่าอัสสาทะความน่ายินดีของรูปคือเรียกว่ามันให้อะไรนะให้ความสุขมากสำหรับคนที่ได้พบเห็นหรือว่าให้ความสมนัตบ้างในคนที่ได้พบปะเจอเจอเป็นต้นในคนที่เขาปรารถนาฝ่ฝันที่จะเจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสุขของเขาแล้วังั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากการ ความงดงามของรูปความสุขเหล่านั้นแหละเรียกว่าอัสาทะของรูปความน่าพอใจของรูปรูปนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งอะไรโสกะปริเทวะทุกโทมนัสแหละว่า ง, งั้นสาเหตุหรือต้นเหตุของโสกาปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเพราะความสุขหมดไปอะไรตามมาทุ ก, ก็ตามมาถ้าความโสมนัสหมดไปอะไรตามมาโทมนัสก็ตามมา ทุกโทมนัสจะตามด้วยโศกะปริเทวะและอุปาญาตเนี่ยนะนั้นที่เหลือก็จะเป็นโทษทั้งหลายทีนี้ความน่ายินดีของรูปก็มีว่าให้สุขและโสมนัสทีนี้มาดูโทษของมัง่งอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนไม่ได้สอนด้านเดียวสอนทั้งด้านวัตตะและวิวัตตะนั้นคําว่ารูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้ายกตัวอย่าง บุคคลเช่นนางสาวเผ่ากษัตริย์พราหมหรือขหบดียกแบบนี้เนี่ยนะภูตรูปและอุปาทายรูปก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะความงดงามทั้งหลายจริงๆแล้วก็อยู่ที่ไหนผมขนเล็บฟันหนังมีอยู่ห้าประการนี้นะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะผมที่กําลังงามฟันที่เล็บที่กําลังงามขนคิ้วเป็นต้นที่กําลังงดงามแล้วก็เล็บที่งามฟันที่งามผิวหนังที่ งดงามอันนั้นแหละพฉะนั้นความงดงามก็คือผมขนเล็บฟันหนังก็ประกอบด้วยภูตารูปและ อ, อกปาไทยรูปทั้งหลายพราะฉะนั้นรูปที่งดงามอันนั้นจะต้องเป็นรูปที่มีวิญญาณครองในรูปที่เกิดจากบุญเหมือนนเถอะรูปที่บุญกรรมที่ตกแต่งทําให้งดงามวิจิตพอได้เห็นได้ยินเป็นต้นก็ทําให้เกิดสุขสมนัตเกิดความสุขสดชื่นอันนี้แหละเรียกว่าอัศทะความความยินดีที่เกิดจากรูป หรือเรียกว่าอสัท ธ, ธะของรูปหรือรูปเหล่านี้ก่อให้เกิดความสุขและความยินดีเกิดสุขและโสมนัสเกิดสุขทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะปลื้มใจดีใจอยู่นั่นแหละทีนี้มาดูโทษบ้างการแสดงโทษนั้นแสดงแบบวิธีของการยานุปัสนาอสติปทานนั่นเองดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาทีนวะโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแล โดยสมัยอื่นนะนะอดีตเคยเป็นนางงามจักรวาลเมื่อเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วใช่ ไ, ไหมสมัยนั้นเขาสมัครหรือสังไม่ทราบ น, น, นะหมายความว่าเคยงามเมื่อสมัยนานเลยเหมืกันก็ไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งโยมเขาชี้ให้ดูว่าเนี่ยเป็นนางงามประจําจังหวัดนะก็ตอนนี้ก็คือคุณยายที่อายุแปดเก้าสิบแล้วล่ะที่มีไปไหนก็ต้องมีสายยางเนี่ยเหน็บจมูกไว้ตลอดไว้หยอดอาหารเป็นต้นเนี่ยนะ แต่ก so? ็ใช่ล่ะเคยงามมากเลยเมื่อหลเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วอ่นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วว่างั้นก็เลยบอกว่าเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละโดยสมัยอื่นอายุแปดสิบเก้าสิบหรือร้อยปีตั้งแต่เกิดเป็นคุณยายที่แก่มีซี่โครงโคตเหมือนดังกรอนเรือนร่างกายก็โคตงอถือไม้เท้ากังกงเงินเดินกระสับกระสายเป็นโรคกันนะโรคชราเข้ามายืน ผ่านวัยเยาวผ่านวัยสาวไปแล้วมีฟันก็หลุดแปลว่าระบบทำฟันไม่ดีใช่ฟันในร่วงหมดเลยไม่มีฟันปลอมใส่ผมก็งอกผมก็โกรนศีรษะก็ล้านไปเรื่อยๆนี่นะศีรษะหัวก็ล้านเนื้อก็เหี่ยวเนื้อตัวก็มีแต่กระเนี่ยนะเรียกว่าไ อ, ไอ้ความงดงามไมรู้หายไปไหนหมดเนี่ยนะมีแต่รอยตกกระเต็มไปหมดเลย ดูการพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจัดสําคัญความข้อ น, นั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในครั้งก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรืออาทีนวะปรากฏแล้วใช่ไหมบัดนั้นถ้าเราไปเห็นคุณยายเนี่ยที่อายุแปดเก้าสิบไปแล้วสันงอเงืง่อ น, อ น, อนเนี่ยถามว่าเราจะคิดยังไงเอ๋อสุขเลยใช่ไหมดีใจมากใช่ไหมอยากเห็นอย่างนี้มานานแล้วบอกไม่ เ, เห็นแล้วก็เรียกว่าแหมทุกโทมานัสก็ตามมา และที่สําคัญตัวคุณยายเองก็ไม่รู้โรคกี่โรครุมเราอยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะอันนี้แหละคือโทษของรูปทั้งหลายโทษของผมของเล็บของฟันของผิวหนังของเนื้อของเอ็นของกระดูกของเยื่อในกระดูกของไตหัวใจตับนี่โรคเป็นทุกชิ้นเลยเนี่ยนะพ่านก็มีหมอผมคอยดูแลเรื่องเส้นผมหมอหมอเล็บหมอฟันหมอหนังหมอกระดูกหมอเยื่อในกระดูกหมอตับหมอไตหมอลำไส้หมอสารพัดหมอนี่ยนะที่มาคอยดูแลคอยเยียวยาเนี่ยนะ คอยบำรุงคอยรักษาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนชราเนี่ยนะบวกโรคภัยเข้าไปด้วยกี่โรคล่ะก็ตามเนินนะโรดไล่ต่างกันมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีปากก็โรคช่องปากโรคทางเดินอาหารโรคฟันโรคลิ้นโรคเพดานป่มเหงือกวมเนี่ยนะโรคผิวหนังโอ้ไล่ไปเถิดต่างกันหัวจระเท้าน่ยตัวโรคทั้งนั้นแหละก็บอกว่าโทษปรากฏแล้วใช่ไหมนี้ใช่ไหมเป็นโทษของรูปเหมือนกันนะ ก็คิดดูนะว่าความเป็นสาวมันน้อยแต่ความชรามีมากกว่านะคิดง่ายง่ายอย่างนั้นนะเพราว่าความงดงามเนี่ยมันไม่มากตั้งอยู่แป๊บเดียวที่เหลือมีแต่ความชราดูก่อนนะพิสูทั้งหลายก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเจ้าข้าพงศ์บอกนี่แหละเป็นโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวคนนั้นแล มีอาพาธเป็นทุกข์เจ็บหนักนอนจมอยู่ในกองมูดคูดของตนเนี่ยนะไม่มีพยาบาลเป็นต้นคอยดูแลเลยเนี่ยนะต้องให้คนอื่นเนี่ยพยุกพยุงลุกพยุงนั่งต้องคอยให้คนอื่นเนี่ยประคองจมอุจาระปัสสาวะเนี่ยนะหมาว่าชราก็ชราหนักหนาอยู่แล้วแล้วก็ผสมปนเปกับไม่ได้อาบน้ำคนอื่นไม่มีใครมาคอยดูแลนี่จะเป็นยังไงนอนซมอยู่นั่นแหละ ดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูทั้งหลายแม้ข้อนี้เราก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายโทษของรูปมันเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้แหละดูก่อนพิสูทั้งหลายแม้ข้อนี้เราก็เป็นโทษของรูป ดูความพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นแลเป็นซากศพเนี่ยนะสิ้นชีวิตไปแล้วใชถูกเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าตายได้วันหนึ่งสองวันสามวันเป็นซากศพที่ขึ้นพองสีเขียวเกิดหนอนเนี่ยชรชัยดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรความงดงามแปลงปลั ง, ล ง, ล ง, ลงที่มีในก่อนนั้นอ่ะหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือ เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค้าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของรูปการที่เห็นรูปโดยโทษของความเป็นรูปจริงๆเนี่ยนะถามว่านํามาซึ่งความเบื่อหน่ายใช่ไหมเพราะปัญญาที่เห็นว่ารูปเนี่ยมีโทษนั้นเป็นอาทีนวานุปัสสนาตามเห็นรูปนนเนี่ยมามีโทษเนี่ยนะนี่นแหละคือเรียกว่าเจริญสอะไรนะเจริญอาทีนวานุปัสสนานั่ย น, นะเห็นโทษหรือว่าอาทีนาวสัญญา ถ้าในสัญญาสิบประการคิริมาโ น, นทสูหรืออาพาทสูเนี่ยนะก็คือเจริญเลอาทีนวสัญญาเห็นพิษภัยทุกโทษทั้งหลายของรูปมันพ อ, อตายไปแล้วสองสามวันไปแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็เป็นซากศพที่ขึ้นพองสีเขียวนอนก็ชอนชายกลายเป็นอาหารของหนอนไปแล้วเนี่ยนะดูก่อนพิสูทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเนี่ยนะคนที่เคยเป็นนางงามเมื่ออายุสิบกอันนั้นสิบห้าสิบกนั่นแหละ มาแบบนี้เนี่ยนะเป็นซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าฝูงการุมกันจิกกินบ้างฝูงแรงรมกันจิกกินบ้างฝูงนกเขารุมกันจิกกินบ้างฝูงสุนัขรมกันกัดกินบ้างฝูงสุนัขจิ้งจอกรุมกันกัดกินบ้างฝูงป่านากชาติต่างๆรมกัดกินกันบ้างดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่ง ที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้านนะก็คิดดูนะแม้มันรุ ม, มนะเส้นเอ็นก็หลุดมาทีละชิ้นทีละชิ้นเวลาถูกกัดแ ค, แค่ไก่กระดูกไก่ไมอย่างนั้นเนะี่ยเนื้อมันหลุดไปเรื่อยเนะนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกมีเนื้อและเลือดติดอยู่ แต่ว่าเอน็นก็ยังยึดโครงกระดูกแต่ว่าเป็นยังผสมเนื้อผสมเลือดเนี่ยนะแล้วต่อไปอีกว่าว่ามีแต่โครงกระดูกที่ปราศจากเนื้อที่เปื้อนเลือดมีเอ็นยึดอยู่มีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแต่มีเอ็นยึดอยู่ต่อไปอีกก็เป็นกระดูกที่ปราศจากเอ็นยึดถ้าเอ็นไม่ยึดแล้วไปไหนกระจัดกระจายไปทิศน้อยทิศใหญ่ กระดูกมือก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกแข้งก็ไปทางหนึ่งกระดูกขาก็อยู่ที่หนึ่งกระดูกเอวก็อยู่ที่หนึ่งกระดูกสันหลังสี่โครงหน้าอกกระดูกแขนกระดูกไหลกระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันหัวกระโหลกก็ไปคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นไล่ไปเรื่อยเนี่ยนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรความงดงามแปลงพลังที่มีในการก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่า ดูการพิสูจนทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายไปเคยไปปล่อยปลาเนี่ยนะบางแห่งเวลาเนี่ยก็มีมอดิน น, นะมอดินไขม่มอหมอไหที่เขาใส่กระดูกกันนะก็เขาลอยน้ามาเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็มาแตกอยู่ตรงนั้นเฮ้ยบางคนก็เดินเตะเดินอะไรมันก็แตกกระดูกก็เกลือนแถวนั้นอนะ่ะโพลเหมือนอนะ่ะมันก็เปลือกหอยอ่ะนะถ้าเป็นชายทะเลนี่เปลือกหอย นะถ้าเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกของมนุษย์ที่ถูกเผาแล้วเอาไปทิ้งไว้ข้างๆฝั่งอนะกับเปลือกหอยไม่ต่างกันอันใครไปชายทะเลเนี่ยกระดูกหอยละว่างั้นนี่นั่นแหละกระดูกหอยหรูปเปลือกหอยฉันใดกระดูกคนทั้งหลายก็ไม่ต่างกันกระจัดกระจายไปอย่างนั้นเลยนี่ น, นี่พวกนี้แหละเป็นโทษของรูปดูก่รที่สูนรทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพียงเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละเป็นซากศพทิ้งไว้ในป่าชา้าเหลือแต่กระดูกสีขาว เปรียบได้กับสีสังหรือกระดูกตกใครว่าวกระดูกตกค้างอยู่แรมปีเรี่ยไรยเป็นหย่อมๆเหลือแต่กระดูกที่ผุแหลกยุ่ยเนี่ยนะก็จับตรงไหนก็ผุแหลกยุ่ยไปหมดเลยทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรความงดงามเปล่งปลัง่งที่มีในการก่อนหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือบอกเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย แม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายโรคเมื่อตอนก่อนกับตอนนี้ก็ไม่ไม่เหมือนกันแล้วอีกยี่สิบสามสิบปีต่อไปเนี่ยนะเราคิดดูนะว่ากระดูกของเราเนี่ยไล่เพิดจับแต่ละส่วนนี่แต่ละแห่งไปอยู่ที่ไหนนอการคิดอย่างนี้แหละเนี่ยเรียกว่าการเจริญกายานุปัสนาเห็นอย่างนี้คือการเจริญกายานุปัสนาไม่ใช่กำหนดจดจ้องณนะจุดใดจุดหนึ่งแต่เขามองชีวิตอย่างตลอดสาย มองชีวิคนะเออทุกคนเนี่ยมีวัยหนุ่มวัยสาวดูงดงามเหลือเกินอีกห้าสิบปีข้างหน้าเธอและเขาจะเป็นอย่างไรหนออีกร้อยปีข้างหน้ากระดูกแต่ละชิ้นที่ว่า ง, งามหนักหนาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันหนอผิวหนังทั้งหลายเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างไรหนอบอกไปดูดอกไม้หนาดอกไม้เมืองเหนือเนี่ยจะเห็นชัดเลยไปยามที่เขาประดับประดาตกแต่งดอกไม้นี่งามมากพอไปตอนที่เขาจัดเก็บขยะดอกไม้เนี่ยนะจะเห็นในอีกครั้งหนึ่ง มันสิ่งเดียวกันมันก็จะกลายไปเออีกอย่างหนึ่งไปแล้วร่างกายของเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็พานล่วงเลยวัยหนุ่มวัยสาวไปไอการเปลี่ยนแปลงไปของรู ป, ปรกายทั้งหลายนั่นแหละเป็นโทษของรูปเนี่ยนะต้องรอให้โทษปรากฏก่อนใช่ไหมค่อยเห็นบางอย่างก็ดูคนอื่นไว้ก่อนก็พอไอการเจริญอย่างนี้เนี่ยคือการเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อให้รู้เห็นตามตามเป็นจริงว่าความจริงอะ่ะมันคืออะไร เมื่อความจริงมันคืออะไรแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดสิ่งเหล่านี้ไหมรวบรวมคุณธรรมที่ออกให้พ้นจากกายเหล่านี้ไหมจริงอยู่ถึงจะงามถึงจะแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างไรก็ตามและความเป็นหนุ่มความเป็นสาวเหล่านั้นอะอยู่กันอีกกี่ปีเมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปและอะไรตามมา ก, อากา็อย่างอย่ากลา่าอย่าลืมว่าดอกไม้ทั้งหลายที่งดงามงามไม่นานแต่แล้วเฉาไปแล้ว ร่างกายของเราก็เหมือนกันมันก็จะงามอยู่ชั่วระยะหนึ่งเนทะ่านั้นเมื่อผ่านไปจะแต่งให้มันงามเท่าเดิมมันก็ไม่งามเหมือนเดิมแล้วที่เหลือนี่มันบวกโรคบวกภัยบวกอะไรอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเนี่ยนะบวกปัญหาตามมาในที่สุดเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในยามที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงก็เก็บม้อยมาเลี้ยงดูกายนิยามชาราแต่เลี้ยงอย่างไรยิ่งเลี้ยงยิ่งชาราเนี่ยนะยิ่งดูแลยิ่งหนักเหมือ น, นหน้าของเราเนี่ยยิ่งล้างยิ่งย่นเหมือนกันเถอะ ยิ่งล้างยิ่งชราไปเรื่อย ๆ, ๆผมเนี่ยยิ่งสะยิ่งออกอะนะคล้ายๆนะเหมือนกับล้างสีออกทิ้งหมดเลยก็รเริ่มชะลาไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยนะออกกําลังกายยิ่งออกยิ่งหมดแรงในที่สุดยก ร, ร่างกายเขาไม่ไหวแล้วอย่างที่กล่าวว่าเนี่ยนะโอ้ยมันหนักเข้าไปทุกส่วนเลยนะเวลาจะก้มกราบก็แทบจะแแมกเงยตัวไม่ขึ้นเลยนะลุกขึ้นก็ยากยากมันหนักแท้เนี่ยนะตอนแรกก็บอกแแมกแข็งแรงนักกีฬาวิ่งนะแทบจะระดับนานาชาติแล้งเรื่องเนาะเป็นนักกีฬานักวิ่งเลยนะ ตอนนี้บางครั้งเนี่ยจะคลานก็ยังไม่ไหวเลยอย่าว่าวิ่งอะไรที่ไหนหรอกประมาณนั้นบอกจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโอยจริงๆนะไม่ใช่โอยเล่นนะไม่ใช่ทําท่านนะะมันรูปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะรูปที่เราว่าไม่มีปัญหาในที่สุดมันก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกแท้เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยเป็นอย่างนี้แลส่ so, วนนิสรณะเนี่ยนะเมื่อกี้พูดถึงอัสาธาของรูปสมุทัยของรูป เหตุที่สร้างรูปให้เป็นให้มีรูปไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นรูปเป็นไปไลไปในสังสารวัตรที่ไม่มีจบมีสิ้นก็เพราะความเยื่อใยอะไรในรูปฉันทราค่าในรูปคิดถึงแต่สุขโสมนัสที่ได้มาจากรูปพอทุกโทมณที่ตามมาจากรูปบ้างล่ะแล้วโทษของรูปรูปเองก็มีโทษเมื่อรูปเหล่านั้นมันมีโทษดังที่ปรากฏไปแล้วเช่นชรามรณะ กระดูกแหลกกระจัดกระจายไปเป็นต้นที่นี้เหลืออะไรล่ะก็เหลือแต่เหลือแต่ทุกใช่ไหมเหลือแต่โทมนัตเพราะโดยทั่วๆไปแล้วรูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเท่าใดรูปเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัตมากเท่านั้นมันก็ทุกโทมานัตก็ตามมาเมื่อทุกโทมนัตเหล่านั้นตามมารูปเสียหายเท่าใดทุกโทมนัตก็ตามมามากมายขนาดนั้นเคยรำพึงนึกถึงแต่ความหลังครั้งเก่าที่มันไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยนะ หมอคนหนึ่งก็เล่านะเขามาเล่าตามบอกว่าคนไข้คนหนึ่งอายุเก้าสิบกว่าแล้วไปหาคุณหมอไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นก็ปวดไล่แตงหัวจรดเท้าปวดหมดเลยเขาบอกอั น, นอายุเก้าสิบกว่าแล้วคุณหมอก็นึกในใจอนะบ่าคุณปู่อย่างนี้หลอมใหม่อย่างเดียวเข้าบงั้นหมายคขาว่าถ้าเป็นภาชนะดินมันก็ร้าวไปหมดแล้วไม่รู้จะหยาบตรงไหนแล้วเหมัอนกันนี่ยไม่รู้จะเยียวยาออกเชื่อมผสานเอาตรงไหนแล้ว เพราะยังไงมันร้าวไปทั่วทั้งทั้งถ้าเป็นหม้อดินอะนะเคยเห็นหม้อดินไหมหม้อดินที่มันร้าวแบบไม่มีเยื่อใยแล้วมันจะเป็นหม้อผลอยู่แล้วเนี่ยก็มีวิธีใหม่ก็ปั้นหม้อใหม่แค่นั้นเองถ้าจะให้มันดีดังเดิมเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันมีแต่แย่ไปกว่า น, นี้ไปเรื่อยๆอย่าคิดเลยว่ามันจะดีกว่านี้แต่ก่อนที่มันจะเป็นขนาดนั้นเนี่ยนะเจริญวิปัสนาปัญญาเพื่อเบื่อนายและคลายกำหนารวบรวมโพธิปักจัยธรรมทั้งมวลเพื่อตัดฉันทราคาในรูปเธอ ในนั้นรวบรวมคุณธรรมรวบรวมสติปัญญาสัมมปาปัญญาอธิบาตอินทรีย์พล ะ, ระโพชฌงและอคอมมัครวบรวมคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อตัดฉันทราคะในรูปเรียกว่าโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะมันก็เหมือนกับยามที่นําออกจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งสลัดทิ้งจากฝั่งนี้อย่างเดียวจึงจะประสบสุขแต่ทิ้งรูปแล้วไม่ถือเอารูปอีกมันเป็นของยากเพราะใจของเรานะเอ๋เบื่อรูปนี้ก็น้อมไปหาอีกรูปหนึ่ง เบื่อรูปหนึ่งก็น้อมไปหาอีกรูปหนึ่งเบื่อเสียงหนึ่งก็น้อมไปหาเสียงหนึ่งรเบื่อทวารหนึ่งก็น้อมไปหาทวารหนึ่งแต่ไม่น้อมไปเพื่อตรัสรูธ้ธรรมที่พ้นจากกองทุกเหล่านี้เลยกลัวตัวเองจะสูญกลัวจะหายกลัวจะหมดอัตตาวัางงั้นเน่ยกลัวจะสิ้นทุกข์วังงั้นเน่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าพอจะจากขันห้าพอจะเบื่อนายและคลายกาหนัดขันห้าก็นึกถึงสุขและโสมนัสที่มาจากขันห้า พอจะสวยสุขจากขันท่าจริงๆก็มีแต่โทษอา้าวไอ้พอจะเบื่อนายอีกอ้าวเพราเ อ, าเอามันก็มีดีตั้งหลายอย่างอนะนะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแกรหว่าจะทิ้งก็เห็นข้อดีจะพอเห็นข้อดีก็อยากจะทิง้ง อ, อะไรนะพอว่าจะทิ้งก็เห็นในแง่ดีไอ้พอจะเอาเข้าจริงมันก็มีแต่แง่ร้ายไอ้จะทิ้งอีกก็ดีอีกแล้วเคยเก็บขยะในบ้านนะเก็บของในบ้านนะเอ๊ะทิ้งดีมั้งอุย้ยมันยังใช้ได้ดีอบอกเก็บต่ออีกหน่อยเถอะเก็บทาําไมเก็บให้มันเก่ากว่า น, นี้จะได้ทิ้งได้ ก็แค่นั้นอ่ะไอ้ที่ถามว่าเก็บเออมันก็เออมันก ja ็ยังดีนะเก็บไปเก็บมามันก็ทิ้งอยู่วันยังค่านั่นแหละเพียงแต่ว่ารอเลื่อนเวลาทิ้งไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละขันทั้งหลายมันก็แต่ทิ้งให้มันเสร็จตั้งแต่แรกบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องรออีกเวลาหนึ่งหนึ่งกะทิ้งได้เลยขันทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอาไลอาวอน แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้ามันไม่ให้สุกสมมันก็ไม่มีใครยึดติดเป็นแน่ถ้าไม่มีทุกโทษทั้งหลายบัณฑิตก็ไม่รู้จะทิ้งจักจักทําไมแต่เนื่องจากว่ามันมีสองด้านมีทั้งในด้านอัสร์ะหน้าเพลิดเพลินและก็หน้านะก็เหมือนอย่างว่าดอกไม้ทั้งหลายเช่นดอกกุหลาบเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่ไอ้ดอกที่งามๆสวยๆมันมีอะไรมีการเพาะมีการปลูกมีการรดน้ำพรวนดินมีหนาม แล้วก็ดอกเองก็มียังมีเฉาอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ไอความงามของดอกชั่วสองสามชั่วโมงหรือชั่ว2อสาวันเนี่ยมันเย้าโยนยิ่งนักเหมือนกันแล้วก็ไอดอกที่งดงาม2อสาวันนี่ยทำให้ติดเรียกว่าทําให้หลงไหลต้องเพาะต้องปลูกต้องรดน้ําต้องพรวนดินต้องใส่ใจบํารุงรักษาดูแลเยียวยาโอ้ยเหนืยแทบตายเพื่อจะได้ดูดอกงามสามวันแค่นั้นเหมือนกนนะ ถ้าเป็นดอกบูชาพระด้วยบูชาเช้าเย็นเนี่ยต้องไปเหยิบจับทิ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปอยู่เฝ้าใจดีแล้วจะรู้นะว่าตอนขาเขาเอามาจะดอกไม้งามแท้วันหลังก็เอาขยะไปทิ้งเนี่ยนะคนสมัยก่อนเนี่เขามีกองดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าที่เชตาวันนสูงทุ่มหัวเหมันดอกไม้เยอะมากอนะแบบดอกไม้เหล่านั้นก็อย่างว่าดอกไม้สดก็กลายเป็นดอกไม้เฉวแล้วก็ดอกไม้เหนียวแล้วก็ดอกไม้โรยเนี่ยนะ แต่ถ้าหากว่ามีผสมน้ํามันก็จะเป็นดอกไม้เน่าก็ขึ้นรากลิ่นตลบไปหมดเลยนะตอนแรกก็อยากหอมมากตอนหลังก็าบอกเอาไปใกล้ๆหน่อยได้ไ้ยไอ้ดอกเดิมนี่แหละแต่คนละเวลาเนี่ยนะถ้าเห็นโทษเท่าใดใจก็น้อมเพื่อที่จะออกจากรูปฉั้นคนที่จะออกจากรูปได้เนี่ยถ้ามีรูปสุขอย่างไรและทุกข์อย่างไรถ้าดับรูปมีไม่มีทุกข์เลยมีแต่สุขอย่างเดียว อย่างไรเนี่ยนะแต่ว่าแม้ความอะไรอาวอนเยื่อญ่ในรูปนี่มันมันไม่มีอะไรจะเยื่อใยเท่ากับรูปอีกแล้วรูปมันเป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใ่ความเยื่อใยแห่งรูปแหละเขาเรียกว่าฉั้นธาคะเนี่ยนะชั้นธาคะก็คืออะไรอาวอนเยื่อใ่ในรูปคนที่จะตักเยื่อญ่อันเนี้ยซึ่งมันดูเล็กมากซึ่งเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันใหญ่กว่าโซ่โซ่ล่ามช้างเนี่ยนะไม่ได้ใหญ่เท่าอันนี้เลยเนี่ยนะสายเยื่อใหญ่เหมือนกับใยบัวเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยแหละแต่ว่าแม้ มันเป็นที่เรียกว่ายีทิปว่า ง, งั้นเถอะบ่วงอันเป็นของมนุษย์ทั้งบ่วงอันเป็นของทิปเนี่ยนะจะต้องอาศัยอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ดเท่านั้นแหละจึงจะสําเร็จการตัดได้สําเร็จถ้าหากว่าอริยมรักรไม่ครบองค์8ดไม่ประกอบไปด้วยองค์8ดเรี่ยวแรงไม่มีพละไม่มีอินทรีย์จริงๆนี้ตัดไม่ได้ละไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากคิดนะถึงเราจะรู้อาศาท่าว่าเป็นอาศาท่ารู้โทษโดยความเป็นโทษ ถ้ารวบรวมคุณธรรมไม่พออยากคิดว่าจะออกได้เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนที่เห็นพิษภัยทุกโทษบางอย่างเนี่ยนะแม้กับคนไข้มาลาเรียเนี่ยที่มันติดเชื้อเต็มไปหมดแ่ะแต่ถ้าไม่มียาฆ่าเชื้อจริงๆมันทำไม่ได้นะรู้นะว่าความเจ็บป่วยมันเป็นยังไงเบือ่อทุกทนทรมานกับรูปปรจจยเหล่านี้ขนาดไหนก็ช่างเถอะ ถ้าไม่มียาไม่บริโภคยาคือพวกชงไม่บริโภคยาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดตัดเชื้อตัดเยื่อใหญตัดอาไลาอาวรนในขันห้าไม่ใช่จะเป็นของง่ายแต่ก็ตัดได้นะตัดได้ น, น, ะ น, นะขบทวนะว่ารูปอัศทาะาของรูปคือสมุทยัยสัจจะอาทีนวะของรูปคือทุกขสัจจะแล้วก็นิสรณะการสลัดออกจากรูปเป็น สมุทยสัจจะและมัสสัจจะทั้งหลายกล่าวถึงาศาสนาทั้งหลายที่รู้จักรูปและไม่รู้จักรูปที่ทําปริญญาในรูปและไม่ได้ทําปริญญาในรูปดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอัศทะของรูปโดยความเป็นอัาทะคำว่าไม่รู้จักความหน้าเพลิดเพลินเย้ายวนของรูปตามเป็นจริงไหมนะไม่รู้จักพิษภัยทุกข โทษความน่ากลัวของรูปที่ประกอบไปด้วยพิษภัยทุกโทษประกอบไปด้วยชรา ม, มรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่รู้จากการสลัดออกไม่รู้จักทมเป็นที่สลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สลัดออกจากรูปถ้าไม่ตรัสรู้นิพพานด้วยอริยมรรคเป็นที่ถ่ายถอนรูปเป็นที่สลัดออกจากรูปตามความเป็นจริง ตามที่กล่าวมาแล้วหมายก็ว่าไม่รู้จักรูปรูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรทักขามิหนีปฏิปทาไม่แทงตลอดอริยสัตว์ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเองจะทำปริญญารอบรู้ในรูปได้ไหมถ้าไม่ทำปริญญารอบรู้ในรูปจักละรูปสมูทยได้ไหมถ้าไม่รอบรู้สมูทยจักแทงตลอดรูปนิโรธได้ไหมถ้าแทงตลอดรูปนิโรธไม่ได้ อริยมรรคจะเต็มบริบูรณ์ได้ไหมอริยมรรคจะบริบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้สัมผัสกับพระนิพพานถ้าไม่ได้ตรัสรู้หรือทําให้แจ้งพระนิพพานอริยมรรคไม่มีทางบริบูรณ์เนี่ยนะก็จะเริญไปจนกว่าจะได้แทงตลอดพระนิพพานเมื่อแทงตลอดอมะตะนิพพานเป็นที่ดับรูปแล้วนั่นแหละจึงจะอุทายทอนรูปเพราะผู้ที่ไม่รู้จักรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปอาทีนวะของรูปนิสรณ ะ, ะของรูปเป็นต้นตามความเป็นจริง ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงไอ้ที่จะชักจูงบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนคนอื่นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจักไร่ปฏิบัติทำปริญญาในรูปจะได้ละรูปสมุ ท, ทยัยทำรูปนิโรธให้แจ้งจเจริญรูปนิโรธคามินีปฏิปทาทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้อย่างยุคใหม่ๆเนี่ยนะการจเจริญกรรมฐานทั้งหลาย ไม่ได้เป็นไปตามโอวาทคำสอนเราจึงจะไม่เค่อยได้ยินมารูปเหตุให้เกิดรูปความดับรูปหรือทมเป็นที่ดับรูปและข้อปฏิบัติเพื่อดับรูปข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้รมที่ดับรูปพันแสดงว่าไม่รู้จักรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามินีปฏิปทาเมื่อไม่รู้จักรูปตามความเป็นจริงไม่รู้จัก อัสสาธาหรือสมุทัยของรูปตามความเป็นจริงไม่รู้จักอาทีนวะพิภัยทุกโทษของรูปตามความเป็นจริงไม่รู้จักพระนิพานเป็นธรรมที่ดับรูปเป็นธรรมที่สงบรูปตามความเป็นจริงแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเพราะข้อปฏิบัติก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือความเกิดหรือเหตุให้เกิดรูปอะไรเป็นธรรมที่ดับเหตุที่สร้างรูปเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดธรรมเหล่านั้น ได้อย่างไรมันจะต้องรวบรวมคุณธรรมเพื่อให้รวบรวมคุณธรรมคือโพธิปักขยธรรมรวบรวมสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มัชเพื่อกำหนดรอบรู้รูปรูปบางอย่างกำหนดรอบรู้ด้วยสติปัฏฐานรูปบางอย่างกำหนดรอบรู้ด้วยสัมมาปัฏฐานรูปบางอย่างกำหนดรอบรู้ด้วยอินทรีย์พละโพชงแต่ละอย่างด้วย องค์มรรคถ้าคุณธรรมคือโพธิปัจขยธรรมเหล่านี้ประชมกันได้เมื่อไหร่จึงจะปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ทำเป็นที่ดับรูปได้อย่างบริบูรณ์เพราะนนั้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดสมณะคือสมณะคื อ, คอผู้ไรผู้ที่แทงตลอดสามัญญผลผู้ที่แทงตลอดอ่าสามัญญผลคือโสดาปฏิพนสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลหรือพราหมณ์พราหมณ์ก็คือผู้ที่ไร ผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐผู้ที่ละบาปลอยบาปเหล่าแล้วผู้ที่ละบาปลอยบาปได้แล้วเราใดาเราหนึ่งรู้ชัดอัดาธาของรูปทั้งหลายโดยความเป็นอัาธารู้ชัดอาทีนวะพิภัยทุกโทษของรูปทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะทุกโทษหรือนิสรณะพระนิพพานและอริยมรรคเป็นที่ถ่ายถอนรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยว่านี้เป็นธรรมเป็นที่ถ่ายถอน อย่างที่กล่าวมานี้แล้วตามความเป็นจริงใครที่รู้แบบนี้แหละพวกเหล่านั้นแหละพระอริยเจ้านั้นแหละจักรอบรู้รูปด้วยปริญญาทั้งหลายด้วยตนเองเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์รอบรู้รูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปรู้จักอสสาธ่ของรูปอาทีนวะของรูปนิสรณ ะ, ะของรูปตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วพระองค์จึงสามารถชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็น อย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้รูปทั้งหลายได้คือหมายเขาว่าจะปฏิบัติได้เป็นเช่นกับพระรีเจ้าทั้งหลายที่เคยกำหนดรอบรู้เรื่องรูปได้อันนี้เป็นไปได้เป็นฐานะที่จะมีได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเดียร์ถีเขายกตนเสมอพระพุทธเจ้าว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องรูปพรองผบอกว่าถ้ารอบรู้เรื่องรูปจริงจะต้องรอบรู้ในรูปอัสาธาของรูปอาทีนวะของรูปและ นิสระณะของรูปถ้ารอบรู้เรื่องรูปจริงก็ต้องรู้ว่ารูปรูปสมูทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธถ้าคนินีีปฏิปทาและคำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จำได้แต่หลักการแต่หมายคาว่าเห็นอย่างนี้ในชีวิตที่เป็นจริงเมื่อรอบรู้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตที่เป็นจริงแล้วเนี่ยเห็นทำเหล่านี้ตามความเป็นจริงบอกให้ผู้อื่นเขาเจริญและปฏิบัติตามนี้ได้ไหม เป็นฐานะที่มีได้เนี่ยนะมันผู้ที่ทากิจเหล่านี้แหละจึงจะบอกให้ผู้อื่นเจริญสิ่งเหล่านั้นได้ดูการพิสูุน์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอัาธาของเวทนาทั้งหลายอัศาธาเนี่ยนะของเวทนาจริงๆเนี่ยระดับไหนความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขที่เป็นกา ม, มาวจรความสุขในกามความสุขในรูปมันก็เป็นสุขที่ไม่ดีจรงิง ถ้าเทียบกับระดับความสุขในฌานเพราะฉะนั้นอสาท่ของเวทนานั้นจึงกล่าวระดับฌานเพราะถ้าสุขในกามทั่วๆไปเขาเรียกว่ากามมาสุขเขาไม่เรียกว่าสุขโดยเวทนาเป็นหลักเขาจะเรียกว่ากามมาสุขสุขในรูปสุขในกามอันนั้นเป็นอสาท่ของรูปอสสาทะของกามแต่พออสาท่ของเวทนาคืออะไรดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุโลธรรมเธอบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอคุโลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนบ้างไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นบ้างย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายบ้าง ในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวอัาธาของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งถามว่าคนที่มีความอิ่มอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะต้องการจะต้องไปกระทบกระทั่งอะไรกับใครเมื่อไหรอย่างไรไหมถ้ามีความสุขอยู่ในตัวเนี่ยดงนั้นความอิ่มในชาเนี่ยเป็นอิ่มที่ไม่เจือด้วยกามไม่เจือด้วยอกุศลเป็นความ สุขที่ระดับมีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติมีแต่ความสุขที่เกิดจากความวิเวกเนี่ยนะวิเวกสงัดจากบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายจิตเป็นเอกคตาเป็นความสงบภายในเรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมเลยเนี่ยนะถ้าคนที่มีความสุขแบบนี้แล้วล่ะต้องไปหาความสุขจากอย่างอื่นไหมความสุขในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยอร่อ ย, ออยสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะถ้าพูดตามมาคันธิยะสูตรพระองค์ก็บอกว่า ความสุขเหล่านั้นเหมือนกับคนเป็นไม่สบายเป็นโรคผิวหนังเนี่ยนะแล้วเกาแล้วมันมีความสุขฉันใดถ้าเทียบกับสุขในกามสุขที่เกิดจากความหายโรคอะไรจะดีกว่ากันเพราสุขที่เกิดจากความหายโรคเทียบกันไม่ติดหรอกกับความสุขที่เกิดจากการเกาเขาว่ากนมันเปรียบกันไม่ติดหรอกเพราะสุขในเนคขมมะคือเนี่ยแหละเป็นอัศทะของเวทนาเพราะมันมีความสบายจริงๆมันมีความสุขจริงๆแล้ะแล้วเป็นสุขระดับชานด้วย ผู้ที่ได้กรรมาสุขยังอยู่ในการมาพบผู้ที่ได้สุขในเวทนาผู้นี้สุขในสะดวกสุขระดับฉายพรหมนะมีความสุขในระดับพรหมโลกนั้นะอันปฐมชานี้ก็เรียกว่าเป็นอสสาทของเวทนาเพราะความสุขในปฐมมชานี้ถือว่าสุขที่ประนีตจนบางลัทธิถือว่านี่แหละคือนิพพาน ความสุขสุขเวทนาที่เกิดในปฐมฌานบางลัตทิาศาสนาเขาจึงบอกว่านี่แหละคือนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกนี่แหละเป็นธรรมที่สงบที่แท้จริงเพราะงั้นนั้นถามมาทั่วๆไปคนที่ฝึกสมาธิทั้งหลายจะบอกเลยว่าความสุขแบบนี้แหละคือนิพพานทั้งทั้งที่นั่นคืออัศทะของเวทนานี่เป็นสมุทยัยศาสตร์นะความเพลิดเพลินติดใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นสมุทยัยศาสตร์จะไม่ใช่นิโรธศสตร์จะแต่ไปหลงประเด็น เ <S Boulder> ห็นทุกขสัจจะเห็นสมุทัยนั่นนะว่าเป็นนิโรสัจจะอันนี้ก็คือความผิดพลาดในระดับสูงว่างั้นเถอะรว่าผิดพลาดในเป้าหมายว่างั้นนะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายเอกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยะฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบสไปมีปีติและสุกเกิดแต่สมาธิอยู่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 ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่มีความคิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่มีความคิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่มีความคิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวอัศธ า, าของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งนะนะนันนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสุขมากเ ห, ห็นไมสุขที่เรียกว่า ไม่ต้องกังวลในเรื่องวิตกวิจาร์อีกต่อไปเนี่ยนะพันธุ์สุขในระดับทุติยะฌานเนี่ยนะเวทนาที่เกิดในระดับทุติยะฌานประณีตกว่าปฐมฌานมากประณีตคือเรียกว่าหลายชั้นกันเลยแหละว่า ง, งั้นเถอะคือเรียกว่าหลายระดับมากเลยแหละเพราะว่าปฐมฌานก็ถ้าเกิดเป็นพรหมก็พรหม ม, มมาปริสัทชาพรห ม, มปรโรหิตามหาพรห ม, มาเนี่ยนะซึ่งอายุไม่เกินกับหนึ่งแต่ถ้า ปริตตาภาอปมานาพาอภัสราเนี่ยนะสูงไปกว่านั้นหลายเท่านักเพราะเมื่อสูงกว่านั้นถามว่าประณีตกว่ากันเท่าไหร่เนี่ยนะสมมุติว่าของของราคาล้านหนึ่งกับของสองล้านนี่มันต่างกันเยอะไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้เปรียบกว่านั้นไม่ได้หรอกมันมากกว่านั้นเป็นมายว่าเทียบกันได้เป็นหลายสิบหลายร้อยเท่ากว่ากัน นี้ต่อไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเธอบรรลุตัติยฌานที่พระเรียเจ้าทั้งหลายกล่าวว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสมัยใดภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขด้วยกาย เพราะปีติสิ้นไปเธอบรรลุตัติยฌานที่พระเรียเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยที่เธอเข้าตาัติยฌานนั่นแหละสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนเพื่อจะทําลายผู้อื่นเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายสมัยนั้นเธอย่อมสเสวยเวทนาไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวเป็นเวทนาชนิดที่แบบไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นแหละแม้ตัวเองก็เป็นสุขนะและช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย เพราะฉันดูความพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวอั ส, สาธาของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งมันความน่ายินดีของเวทนาทั้งหลายก็ขณะปทมชานทุติยะชานและจตุทัชานเนี่ยนะมาดูจตุทัชานบ้างดูความพิสูจนทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพิกษุบรรลุจตุทัชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตก่อนก่อนได้ เธอมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ในสมัยใดเธอบรร ล, ลุจตุทัชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมณัตก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนบ้างไม่คิดเพื่อจะทําลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมสเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูความพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวอัศทะความน่ายินดีของเวทนาว่า มีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งสบายอย่างเดียวอะคิดดูสบายที่ไม่ต้องเจือด้วยพิษด้วยภัยด้วยทุกข์ด้วยโทษอ่ะเป็นความสบายระดับปฐมฌานทุติยฌ า, านและจตุตั ต, ติยฌ า, านจตุทชฌานเนี่ยมันเป็นความสบายขนาดไหนนั่นแหละจึงติดสุขในระดับสูงรูปประภพเนี่ยจึงถือว่าก้าวล่วงได้ยากแต่ถ้ากล่าวจตุทชฌานแล้วเท่ากับกล่าวอารูปประภพเพราะติดในเวทนาการมาภูมิทั้งหลายติดในรูปรูปประภูมิและอรูปรภูมิทั้งหลายติดใน เวทนาจะในรูปหรือเวทนาก็ตามมันก็บวกสัญญาสังขารและวิญญาณเข้าไปในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นแหละคืออัาธาของขันห้าถ้ากล่าวเวทนาอย่างนี้นก็คืออัาธาของเวทนาทั้งหลายแล้วโทษของเวทนาละ่ะอาทีนวะของเวทนาพิษภัยทุกโทษของเวทนาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายถ้าสุขเวทนาดับไปอะไรตามมาพระองค์ก็บอกว่าเวทนามีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมาสุขเวทนาขณะใดหรือสมัยใดที่เสวยสุขเวทนาก็มีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่มีทุกขเวทนาไม่มี อุเบกขาเวทนาสมัยใดที่เสวยทุกขเวทนาก็มีแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวไม่มีสุขไม่มีอุเบกขาสมัยใดที่เสวยอุเบกขาเวทนาในสมัยนั้นก็ไม่มีสุขและไม่มีทุกเสวยแต่ละอย่าง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 อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเนี่ยนะเข้าใจทันทีทั้งหมดเลยรู้อยู่อย่างนี้ด้วยสุตตมายาญาณเห็นอยู่อย่างนี้ด้วยวิปัสสนาทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายเห็นความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงอ่ะถ้าความสุขหมดไปอะไรตามมาทุกทั้งหลายก็ตามมาเวทนาทั้งหลายต้องอาศัยวัตถุคือรูปอาศัยวัตถุคืออารมณ์คือรูปเมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อวัตถุไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะพราะเห็นจะเห็นความไม่เที่ยงของรูปและเวทนาพันธ์พวกนี้ก็จะเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็ถ่ายถอนเวทนาได้ถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายได้ก็ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการกําจัดการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายเสียได้นี้เป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายอันนั้นเรียกว่าตัดฉันทราคะทําลายฉันทราคะ ถอนฉันทราค่ในเวทนาเพราะเพราะอะไรเพราะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเวทนาอนันหมายณนะเวทนาเหตุให้เกิดเวทนาความดับเหตุให้เกิดเวทนาข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับเหตุเกิดแห่งเวทนาฉันทราค่าในเวทนาอาทีนวะของเวทนาและก็นิสรณะของเวทนาถ้าพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้แบบนี้ล่ะ ดูความิสูจทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอัศาธะาของเวทนาทั้งหลายโดยเป็นอัศาธะาไม่รู้อาทินวะโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและนิสระการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรรอบรู้จักรปริญญาในเวทนา จักละฉันทราคะในเวทนาจักตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับเวทนาจะปฏิบัติข้อปฏิ Hyundai, <im United> <polit Miz> e บ <im akers> ัติเพื่อดับเวทนาด้วยตนเองหรือจักชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อที่ปฏิบัติแล้วจักรรอบรู้ในเวทนาละฉันทราคะในเวทนาตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับฉันทราคะในเวทนาหรือปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อดับเวทนาข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้แปลว่า เป็นไปไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ตรัสรู้เวทนาโดยหลักอริยสัจเนี่ยนะมันยังไงมันก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้และจะซักแนะนําสั่งสอนคนอื่นไปสอนว่าอย่างไงพูดคําว่าเวทนาก็หมดความหมายแล้วนะเวทนาคืออะไรความโศวยอารมณ์โดยคําเวทนามีกี่อย่างหมอกมีสามอย่างจบเลยแล้วเอารู้เวทนาให้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะเอา้าสุกก็รู้ว่าสุขทุกก็รู้ว่าทุกขอุเบกขาก็รู้ว่าอุเบกข้อ้ยลึกซึ้งมาก พอไมหมล่ะจะพ้นทุกเวลาปวดหัวก็รู้ว่าปวดหัวอุ้ยใครก็รู้ทั้งนั้นแหละเชื่อเหอะถ้าสบายตัวใครรู้มั้งใครไม่รู้มั้งว่าตัวเองสบายมันก็รู้ทั้งนั้นอะรู้อย่างงี้พอไหยจะพ้นทุกเพราะฉะนั้นคําที่กล่าวไปแล้วนี่เป็นการเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเจริญอนุปัสนาเจ็ดในสติปัฏฐานและอีกในหนึ่งก็เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดังลูกสอนเห็นอนทุกข์ขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยง จากละฉันทราคะเที่ยวไปเพราะนั้นเห็นสุขเวทนาว่าเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเห็นทุกขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งโทสะแห่งอุเบคาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาผู้นั้นก็จะปฏิบัติเพื่อดับตัณหาในสุขเวทนาเห็นว่าทุกขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็จะปฏิบัติเพื่อดับโทสะเห็นอุเบคาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่ง อวิชาก็จะปฏิบัติเพื่อดับอวิชาผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้นี่แหละเป็นสมณะเป็นพรามสมณะคือผู้แทงตลอดสามัญญผลเป็นพรามผู้ลอยบาปที่รู้ชัดอัาธาของเวทนาอัาธาความน่ายินดีเพลิดเพลินของเวทนาโดยเป็นอัาธาเห็นโทษพิษภัยทุกโทษทั้งหลายของเวทนาโดยความเป็นโทษการ่ายทอนนิสรณะนะ จัดชั้นธราคะตรัสรู้พระนิพพานทั้งหลายโดยความเป็นรู้ธรรมเป็นที่ดับเวทนาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นแหละจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองได้จากชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้จะเป็นฐานะที่จะมีได้ สองสูตรอะสองสามสูตรกล่าวมาแล้วนี่เนี่ยนะเป็นพระสูตรที่เน้นหลักพิเศษก็คือว่าให้มั่นใจในองค์ของพระพุทธเจ้าให้มั่นใจในพระองค์ผู้เป็นพระอรหรันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ในในอย่างสูตรแรกเนี่ยนะพระองค์เป็นสัพพันยูแสดงทำเป็นที่ดับตันหาและอุปาทานบัญญัติรอบรู้อุปาทานเป็นต้น ผู้ใดเลื่อมใสในพระองค์ก็ทำที่สูดแห่งทุกได้หรือสูตรที่สองเนี่ยประกาศว่าพระองค์นั้นมีพระพุทธคุณเหล่าใดบ้างสูตรนี้กล่าวถึงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่ว่าไม่แบบอะไรนะได้แต่ลำพองยะโสโอหังอวดอ้างสปปรรพคุณว่าข้าคือพระพุทธเจ้าข้าคือพระพุทธเจ้าและท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรบ้างข้าคือพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะคล้ายๆกับพรหมท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าข้าคือนักผู้สร้าง ข้าคือผู้สร้างข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข้าคือพระเจ้าเป็นต้นถามอะไรบอกข้าคือพระพรหมข้าคือผู้สร้างถามอะไรก็ตอบอยู่แค่นี้แหละบอกอา้าวท่านถ้าสมมติ ling, ถ้ามีใครถามว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกใช่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้ารู้อะไรบ้างข้าเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันถ้าเอาแค่นี้ก็แหมเหมือนลึกซึ้งไหมแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้รอบรู้ในกามรอบรู้ในเหตุให้เกิ ด, ก, ดกามรอบรู้ความ ดับเหตุให้เกิดกามรอบรู้ในข้อปฏิบัติเพื่อดับการพระองค์รอบรู้อัสสาธะความน่าเพลิดเพลินยินดีของกามพิษภัยทุกโทษอาทีนวะของกามและนิสรณะเป็นที่สลัดออกของกามตามความเป็นจริงเพราะเป็นอย่างนี้แหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี้วิจัยคข่ครวญสิ่งนี้แล้วตรัสรู้ตามความเป็นจริงมาบอกให้ผู้ปฏิบัติ พิจารณาตามแบบนี้ความที่พระองค์สอนเรื่องการทั้งหลายได้เนี่ยพระองค์จึงสามารถสอนอนาคามีมักเป็นที่ตัดฉันทราคาในกามได้ทีนี้ต่อไปเนี่ยนะพระองค์สอนใน ร, รูปเห็นให้เกิดรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปอส า, าธะของรูปอาทีนวะของรูปและนิสรณะของรูปเบื้องต้นคนที่เจริญอย่างนี้เรียกว่าเจริญ กายานุปัสนาสติปทานทีนี้กายานุปัสนาสติปฐานเนี่ยนะมีความเพียรสัมมาประธานสี่มีสติในสติปทานสีสัมปชานโนมีสัมปชัญญะมีสัมมาธิฏินะวินัยะโลเกวินัยตัวนั้นเป็นชื่อของสมาธิที่กำจัดฉันทราคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเจริญสัตทินสวิริยินสี่สตินสีและสมาธินสปัญญินสีเพื่อตัดฉันทราคะในรูปทั้งหลายเนี่ยนะพัน การเจริญคุณธรรมเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเหตุให้เกิดรูปอันาเหตุเพื่อสร้างรูปขึ้นมีอะไรเช่นรูปเกิดเพราะอาหารเกิดรูปเกิดเพราะวิชาเกิดรูปเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปเกิดเพราะกํรเกิดและนิพพติลักษณะของรูปทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์อันะมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเจือด้วยชราและมรณะโรคภัยทั้งหลายขณะเดียวกันรูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกัมมัดก็ สามารถทําที่สุดพ้นจากรูปทั้งหลายได้เมื่อพ้นจากรูปก็ถือว่าพ้นจากภาระเขาบอกเอาไงเนี่ยตาเนี่ยนะตานี่เป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราตานี้ไม่ใช่ของเราแต่ให้เรารักษามันอยากจะเห็นดีมันก็เห็นมันไม่อยากเห็นดีก็ไม่เห็นนะเอาเนี่ยแต่ว่าให้เรารักษาแล้วมันของใครอะของชาราและมรณะแต่เธอดูแลไปก็แล้วกันหูก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตาของเราแต่เธอดูแลให้มันดีนะ ใน ah จม well. ูกก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแต่ดูแลให้มันดีแล้วกันลิ้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแต่ต้องทาอาหารให้มันถูกลิ้นหน่อยนะกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ชั้นบวกโรคบวกพยาธิชราบวกอะไรให้แกไปอีกหลายอย่างนะดูแลเอาแล้วกัน ใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ฉันบวกราคาโทรสาวโมหาให้ไปนะอู้จะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมแต่ผาลปุตุชนมันของเรามันเรามั น, ม น, มนอัตตาของเราอู้ยยืดทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรจะให้ยึดเนี่ยนะเจออเหรอใ น, นตอนฟังเนี่ยก็เออใช่ใช่เป็นตามคําสอนนั่นนะเราเข้าจริงแบบไม่ใช่อ อ, อู้ยแยกส่วนได้เนี่ยใช่ไหมอันนั้นของพระพุทธเจ้าอันนี้มันของเราเนี่ยนะนะ อ, อู้ยรักษาภาวะปุตุชนได้ดีมากอา้าจริงนะ แต่ถ้าบอกโอ้ยพระองค์ตรัสจริงแท้เมื่อไรก็เห็นแบบที่พระพุทธเจ้าพาเห็นอันนี้พร้อมที่จะเป็นพระอริยาสาวกเพราะอะไรมีศรัทธาอันมั่นคงว่าสวาขาโตภควะตาธรมโมเมื่อไรก็บอกว่าสวาขาโตภควะตาธรมโมพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพราะเป็นธรรมที่เรียกว่าแค่ได้ฟังก็สบายใจถ้าเห็นตามนั้นจะสบายใจขนาดไหนถ้าตรัสรู้ตามนั้นจริงๆแล้ว จะดีขนาดไหนการที่เลื่อมใสแบบนี้เรียกว่ายอมรับว่าสวักขาโตพระควตาธมโมผาเรียเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นตัวอย่างของการตรัสรู้ธรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนี่ยนะด้วยผลบุญคุณงามความดีเหล่านี้ขอจงเป็นปัจจัยให้พวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสบมนุสสมบัติสวรรสมบัตินิพพสมบัติตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าทั่วกั น, นอนุโมทนา